นะระหว่างเราพราอาจารย์ก็ได้ไม่เสียเวลามันมันก็มีอย่างหนึ่งเนาะก็จะแชร์จะแชร์ไปประสบการณ์ตัวเองในการเข้าใจธรรมะนี่แหละว่าที่เราปฏิบัติมามั น, มนไปเข้าใจอะไรและการเข้าใจมันเฮ้ยแบบนี้เราก็พอมีอยู่เฮ้ยแบบนี้มันก็ไม่เกินถ้าเราย้อนดูนะถ้าเราจบปั๊บเราจะเราจะสามารถย้อนได้ว่าเอแบบนี้เราก็พอมีในชีวิต แบบนี้เราก็พอไปเจอได้ไม่เหนือบ่าโกาแรงที่เราจะไปเจอได้แต่พอมามองดีๆแล้วเรื่องที่เราบางคนอาจคิดว่าแคม่มันแค่นี้เหรอรู้แค่นี้เหรอเข้าใจแค่นี้เหรอือคือทรมะแต่บอกเลยว่าก็แค่นี้แหละเนาะแต่มันกับเฉลย อ, อะไรหลายอย่างมันกับเฉลยเรื่องเราต่างๆมันมีสิ่งหนึ่งเนาะในเรารู้จักการปรุงแต่งไหมขัน สังขารสังขารแปลว่าอะไรนะสังขารไม่ใช่ร่างกายนะสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งอะไรอะ่ะการปรุงแต่งทางความคิดนี่แหละที่เรากาสังขารการปรุงแต่งถ้าคนปฏิบัติมาจะสังเกตเนาะหรือว่าเราเคยรู้มาเราเคยเรียนมาเราเคยเห็นมาเมื่อเราปรุงแต่งปั๊บมันเป็นยังไงเป็นทุกข์ไหม เวลาความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันบูมแต่งต่อเป็นทุกข์ไหมพอเป็นทุกข์ปับ๊บตร ก, กากาศพื้นฐานเราทํำยังไงพื้นฐานมากเลยเมื่อรู้ว่ามันบุงแต่งไปแล้วเป็นทุกข์ทํำยังไงสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันคิดใช่หรือไม่ไม่ให้มันเกิดนั่นแหละตร ก, กากาศพื้นฐานมากเมื่อทําสิ่งนั้นปับ๊บเราก็จะเป็นการปฏิเสธ หลบลี้ไม่อยากได้ไม่อยากเจอไอ้ตรงเนี้ยคำวมาสังขารเน่ยไม่รู้ว่ามันปรุงทีอะไร ท, ทุกทุกทีมันปรุงทีไรเป็นทุกทุกทีปรุงทีไรมีปัญหาทุกทีใช่หรือไม่เรากับปฏิเสธเรากับไม่อยากเจอไม่อยากได้ไม่อยากให้มันเกิดพยายามสกัดกัน้นทุกวิธีทางถ้าเราเข้าสู่การปฏิบัติจะสังเกตไหมการที่จะทํำยังไงหล่ะถึงจะสกัดกัน้นการปรุงแต่งของสังขารได้ ยังไงถ้าเรามาปฏิบัติหรือที่เคยปฏิบัติมาจะทำยังไงตอนบ่ายตอนตอนคสวดไปแล้วทางสองทางที่บอกอิวช็ว่าไม่ไม่ใช่ทางก็คืออันหนึ่งปล่อยกายปล่อ ย, ยใจไหลสู่กลามคุณอันนี้เราไม่ทำแน่นอนใช่หรือไม่แต่อันหนึ่งอะดําดิงสู่ความสงบทรมานกายทรมานใจไ อ, ไอตัวเนี้ยใช่ไหม พอเราเข้าสู่การปฏิบัติเรากลับทําตรงนี้เพื่อคิดว่าทําตรงนี้แล้วการปรุงแต่งต่อการเลยเถิดไปมันจะไม่มันจะไม่เกิดเราคิดว่าตอนที่เราสงบมันคือใช่แล้วนั่นแหละเป็นปัญหาเนาะเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจหรือแม้แต่การสอนธรรมะเนาะที่เห็นมาเฮ้ย hey, ทำไมแม้แต่สายหลวงปู่เทียนมันคิดปับไม่ทิ้งเลยคิดปับทิ้งเลยคิดปับตัดเลยคิดปับ รู้สึกตัวเลยแล้วก็เอ๊ะไม่ใช่อยู่ว่าเนอะมันไม่ใช่ก็พูดกับอาจารย์บ่อยอยู่ว่าเอ๊ะว่าแบบนี้มันไม่ใช่เนาะที่ครูบาอาจารย์สอนไว้มันไม่ใช่เลยถ้าเราพยายามสกัดกั้นปฏิเสธกบเกลื่อนคิดปับทิ้งเลยคิดปรับรู้สึกตัวเลยไม่เอาความคิดเลยมันเป็นอะไรไปแล้วอ่ะลองดูดีๆมันเป็นการทําอะไรไปแล้วมันเป็นสมสถะไปแล้ว มันแล้วมันจะต่างอะไรกับ น, นั่งหลับตาสู่ความสงบเนาะ ม, น ม, นมันแทบไม่ต่างกันเลยแค่เคลื่อนไหวเฉย ๆ, ๆเคลื่อนไหวแล้วสงบไม่รับรู้อะไรกูขึ้นไหวอย่างเดียวชีวิตนี้ไม่เอาอะไรถามว่ามันใช่ไหมปัญญามันจะเกิดไหมเนาะมันไม่เกิดนั่นแหละนี่คือปัญหาเนาะถ้าเราลองเป็นถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่ลองปรับกระบวนการเนาะปรับกระบวนการสบายๆทำสบายๆนี่แหละรู้บ้างหลงบ้างช่างมัน แต่มันจะพาไปเข้าใจอะไรบางอย่างเนาะก็ตัวอย่างบอกเลยว่าถ้าคนเคยเจอหลวงพี่ก็จะเล่าเรื่องนี้แหละเล่ายู่เรื่องเดียวไม่แหละเล่าซ้าไปซ้ำมากี่ครั้งก็เล่าอยู่คนเดียวเพราะว่าการเข้าใจธรรมะมันมีไม่กี่อย่างหรอกเนาะมันมันมีไม่กี่เรื่องแต่มันก็เรื่องเดียวแหละเราจะเข้าใจเรื่องนี้ก็ผ่านตรงเนี้ที่แบบมันชัดเจนที่สุดแล้วมันก็เข้าใจได้แล้วมันก็ผ่านแล้วมันก็รู้เลยแล้วมันก็แจ้งในเรื่องนั้นเนาะมันก็มีเรื่องเดียว ก็แต่ก่อนเนาะถามว่าไอ้พวกขันท่าเรารู้เรารู้จักไหมเราก็รู้จักอืมปฏิบัติฐานสี่เราก็รู้จักแต่มันก็ยังไม่แจ่มแจ้งเนาะเราก็รู้ว่าการปรุงแต่งต่อเออมันมีการปรุงแต่งเนาะแล้วมันก็เลยเถิดเป็นความพอใจไม่พอใจแล้วก็เป็นทุกข์เราก็รู้อยู่แล้วก็เห็นแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนแต่วันนั้นแหละมันมาแจ่มแจ้งไอ้เรื่องนี้แหละว่าโอ้ยังไงการปรุงแต่งการปรุงแต่งที่เราไม่รู้ทำแล้วเราก็เป็นทุกข์ไปกับมัน การเป็นทุกเป็นแบบนี้นี่เองเนอะมาเห็นกระบวนการทั้งหมดเลยว่าเป็นแบบไหนเป็นฉากเป็นฉากเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นขั้นด้วยเนาะวันนั้นก็จําได้ในพภรษาพภรษาแรกแหละเนอะช่วงข่าวราษาพอดีน่าจะเป็นปลายพรรษาแหละเพราะว่าดอกเนี้ยมันเกิดหน้าฝนดอกนี้ยหน้าแล้งจะไม่เกิดหรอกหน้าหน้าฝนมันก็จะเริ่มเป็นใบแต่หน้าปลายหน้าฝนพั๊บมันก็จะเริ่มแก่แล้วแล้วมันจะเกิดเยอะอยู่วัดมันเกิดเยอะมากเลย อันนี้ยากเลยนะยาจ ช, ชูเนาะเห็นไหมถ้าโดนยาอันนี้ปักเป็นยังไงมีใครเคยโดนปักเป็นยังไงโอ้มันติดหมดเลยใช่หรือไม่เสื้อผ้าติดไหมเป็นยาที่แบบติดง่ายมากเนาะแค่สัมผัสอะไรมันก็ติดแล้วติดไปหมด อ, มอยู่วัามันเกิดเยอะแล้วมันก็ชอบติดชายจีวอนโดยแบบกลับว้าแต่ละทีโอ้โหไม่พอตามพ้าหุ่มอีกเนาะไปหมดเลยมันเกิดเยอะมาก ทีนี้วันนั้นก็เดินจงกรมอยู่เนาะทีนี้ตรงที่เดินจงกรมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นลานหินโค้งพระอาจารย์ท่านทําลานหินโค้งไว้พี่ก็เดินมันเป็นต้นมะขามใหญ่แล้วเป็นลานหินโค้งเหมือนส่วนโมกอะเนาะจำลองจากส่วนโมกแล้วก็เออตรงนี้มันดีเนาะใช้ปฏิบัติทําดีเราก็บอกว่าเออเรากลางวันมันก็ล่มดีกลางวันมันก็ล่มดีและที่สําคัญมันไม่สงบด้วยอันนี้แหละก็สําคัญ พอเราปฏิบัติทำปั๊บเราชอบหลีกเล่นใช่หรือไม่ลบลีมหาที่ส ง, งบส ง, งบเป็นไหมแต่หลวพี่เลือกเอานี่เลยวะ่าเสียงมันเยอะดีเสียงมันเยอะดีมันมีเสียงกระทบเสียงเ ข, เขาคุยกันจ้องแจ้งจ้องแจ้ ง, จงเสียงภายนอกเสียงสับประศัสทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็เอานี่เลยวะ่ามันไม่ส ง, งบอืเลือกตรงนี้เลยแต่ถือก็เลือกที่ส ง, งบส ง, งบเรากับเอาตรงนี้แหละเนาะ แต่มันก็เป็นล่มเนาะเป็นล่มให้เราเด้เดินสบายสบายก็เดินช่วงบ่ายนี่แหละพอเดินไปสมมักครึ่งชั่วโมงก็เหมือนที่พวกเราเจอกันเดินครึ่งชั่วโมงแรกความคิดก็ออกมาอ๋อนี่ไงเผอคิดเราก็าทบทวนกระบวนการเนาะเราเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรม า, ร, า, ร, ร, ารู้อะไรมาอ๋อนี่ไงเผอคิดอ๋อนี่ไงเรากลับมาได้แล้วอ๋อนี่ไงอยู่กับฐานเป็นแบบนี้อ๋อนี่ไงพามาที่มันรู้สึกตัวเป็นขณะขณะโอ้เป็นแบบนี้นี่หว่าและพอมันจะเผอคิดเออมันแทรกออกไปตอน ลอยต่อลอยต่อที่มันหยุดที่มันยุติีลงลอยต่อที่ความรู้สึกตัวมันจบลงก่อนมันจะเริ่มก่อนมันจะเริ่มก่อนมันจะเริ่มความรู้สึกตัวครั้งใหม่มันมีช่องว่าง้เผอคิดมันออกไปช่องนี้จะหว่ามันเห็นแบบนั้นเลยเนาะก็เก็บเป็นประสบการณ์อยู่สักครึ่งชั่วโมงแต่วันนั้นเนาะเขาเรียกว่ามันมีภาวะผู้ดูเนาะถ้าเราฝึก ที่เราฝึกให้สังเกตเนะี่ยให้สังเกตนะให้ภาวะผู้ดูมันปรากฏภาวะผู้ดูคือมันดูดูตัวเองกําลังมีสติดูตัวเองกําลังหลงดูว่ามีความคิดออกไปไหมดูว่ามีความคิดกลับมาไหมดูหมดเลยเนาะมีบางอย่างถอยมาดูเป็นอีกตัวหนึ่งดูหมดทุกทุกอย่างทั้งลงก็รู้ทั้งมีสติก็รู้ทั้งไม่มีสติก็รู้ทั้งอยู่กับฐานก็รู้เนี่ยมันมีแต่รู้ณนะตอนนั้นเนาะมันอยู่แบบนั้นแหละ พอเดินไปเดินไปปับ๊บจู่ๆเท้าขวาไปเหยียบอะไรบางอย่างเหยียบปับ๊บมันรู้เลยว่าไอ้ไอ้ไอที่เราเหยียบเนะ่ยมันปักฝ่าเท้าเพราะว่ามันเจ็บเนาะความคิดก็บอกเลย hey, เฮ้ยเหยียบอะไรบางอย่างแล้วมันบอกแล้วมันน่าจะเป็นตะปูเป็นแก้วนะให้แล้วมันก็สั่งต่อให้ยกเท้าเอาออกให้ลดยกเท้าแล้วก็ไปเอาออกว่ามันคืออะไรแต่ณขณะนั้นเนาะเขาเรียกว่าเอ๊ะ hey, มันมันมีบางอย่าง ว่าจะไม่ทาตามมันเนาะก็เอลองไม่ทําตามมันดูซิจะเป็นยังไงแต่ก่อนเราจะทําตามมันตลอดเนาะมันปั๊บเอ๊ะกับดูเลยวันนั้นก็เอ๊ะเราไม่ทำตามความคิดดูซิจะเป็นยังไงจะลองเดินต่อไปเนาะนั่นแหละก็พยายามฝืนมันดูมันจะเป็นยังไงก็เลยเดินต่อไปเนาะเดินจนกลมต่อไปพยายามเดินต่อไปพอยกเท้าขวาขึ้นปั๊บ ไอ้ที่ปักเมื่อกี้ไอ้ที่เรารู้สึกจู่ๆไม่จู่ๆหรอกมันรู้สึกว่ามันติดมามามาด้วยมันติดขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันรู้สึกเฮ้ยมันก็บอกอีกละอะไรวะมันที่อะไรน้อที่มันสามารถปักฝ่าเท้าได้มันต้องเป็นของมีคมแน่เลยตะปูไม่น่าใช่แล้วแหละตะปูตะปูมันต้องเจ็บกว่านี้แก้วก็ไม่น่าใช่เฮะมันจะเป็นอะไรนาะหรือว่าจะเป็นหนามเห็นไหมมาเริ่มปรุงแต่งหาข้อมูลแล้วมันจะเป็นอะไร มาเริ่มหากระบวนการเอาประสบการณ์เข้ามาแล้วนเนาะทีนี้พอยกมาปับ๊บพอเท้าขวาย่าลงพื้นครั้งที่สองย่าลงไปปับ๊บมันก็บอกว่าเอ้ยเจ็บขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเจ็บขึ้นด้วยแสดงว่ามันต้องมีคมพอสมควรต้องเป็นอะไรบางอย่างต้องเป็นหนามมันก็เริ่มแล้ว อ, อะไรนาะแถวนี้มันเราจะไปะเหยียบอะไรมันมันก็ตัดช้อยเอาไวนะ้เนาะเสียบแก้วไม่ใช่หละตะปูก็ไม่ใช่ต้องเป็นหนามแน่นอน แล้วมันก็รุงแต่งต่อจะเป็นนาจะเป็นนาอะไรได้บ้างมันจะพอมีอะไรปักเท้าได้บ้างเนาะเริ่มหาข้อมูลแล้วแต่ที่มันเห็นตรงเนี้ยคือภาวะผู้ดูมันดูอยู่เนาะมันดูว่ากำลังปรุงแต่งอยู่ด้วยเห็นกระบวนการที่มันเกิดด้วยมีภาวะผู้ดูอยู่ถึงเราได้เนาะพอเดินต่อไปเดินก็พยายามเดินต่อไปสักครู่หนึ่งมันก็เริ่มมันก็เริ่มกองข้อมูลเนาะเอ๊ะมันจะมีอะไรเนาะแถวเนี้ยที่จะพาะที่จะพอปัก ปักฝ่าเท้าได้แล้วจูจ่ๆมันก็แวบขึ้นมาเนาะเอ๊ะตอนเราเดินเข้ามามันมีต้นอันนี้อยู่เนาะต้นดอกยาโจชูอยู่แถวนั้นมันก็เกิดเดยอะด้วยเนาะมันก็บอกว่าโอ้สงสัยใช่แล้วละ่ะที่เรามาเหยียบก็คือไอ้กลมกลมเห็นไหมนะกลมกลมของมันก็คือน้ําดอกยาโจ ช, ชูสักหนึ่งสักหนึ่งดอกกลมกลมนะเนาะมันหล่นมา แล้วมันก็รู้ว่ามันก็มีประสบการณ์เนาะไอ้ดอกย่านเนี่ยมันจะชอบหล่นเลี้ราดถ้าไปเหยียบปั๊บก็ติดเลยใช่หรือไม่มันก็บอกว่าโอ้ใช่แน่นอนแหละดอกย่าโจชูมันหล่นมาแล้วเรามาเหยียบเข้าตอนนี้ยมันติดฝ่าเท้าเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ปรงแต่งแล้นะถ้าไม่เอาออกนะทําไม่รีบไปออกนะปล่อยไว้มีปัญหาแน่เลยเพราะว่ามันจะปักเข้าเนื้อไปเรื่อยเนาะปักเข้าไปเรื่อยแล้วก็มันจะหักมันจะหักคา นามันจะหกักคาด้วยมันก็เริ่มปรุงแต่งต่อแต่ก็เดินต่อไปเนาะเดินต่อไปพยายามเดินต่อไปลองดูว่าเป็นมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเดินต่อไปสักพักหนึ่งปับ๊บมันก็รู้สึกเลยโอ้เจ็บแป๊บๆแบบนี้แหละใช่เลยเจ็บคันๆเจ็บแบบไม่เจ็บเยอะหรอกแต่แบบแบบไอเจ็บแบบเนี้ยใช่แน่นอนมันกลับไปเอาสัญญาเก่าๆความเจ็บปวดที่เราเคยดวนต่อยาเนี้ย ตามาเราเราเก็บอาการไว้ไปด้วยเนาะเอามาสอนรับด้วยว่ามันเฉแบบนี้แหละแปบ๊แปบๆคันๆใช่เลยเนาะลองคิดดูสิความคิดสามารถสร้างเวทนาปลอมได้ด้วยเนาะเอาเวทนาปลอมที่เราเคยผ่านมาตั้งนานแล้วเอามาสวมทับเพื่อยืนยันคําตอบว่าให้เป็นดอกยาอันนี้เนาะมันสร้างได้ขนาดนั้นเพื่อยืนยันว่าอันนี้คือดอกยาเจ้าชู้เนาะมันก็เดินต่อไปเดินต่อไปสักพักหนึ่ง มันก็เริ่มนะเอ๊ะตอนนี้ทําไมมันไม่ค่อยเจ็บแล้วอ่ะแต่มันก็รู้สึกอยู่พอมีจังหวะหนึ่งยกเท้าขวาขึ้นปั๊บมันก็หลุดเอ๊ะมันเหมือนไม่มีอะไรติดนี่หว่ามันเหมือนหลุดไปแล้วด้วยแต่พอย่ำหนุที่พื้นปั๊บเฮ้ยเจ็บอีกแล้วทีนี้ความคิดเปลี่ยนเลยมันบอกว่าครั้งเนี้ยไอ้ที่มันรู้สึกว่ายกขึ้นเราไม่รู้สึกอะไรแต่พอย่ำหนงไปปั๊บแล้วมันเจ็บแป๊บแสดงว่าตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้ว จากแต่ก่อนมันเป็นตัวดอกยาใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวดอกยากลมๆแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยที่มันรู้สึกก็คือเราเดินไปเดินมาถูไปถูมาน้ำ ม, มันก็ปักเข้าเนื้อใช่ไหมตอนเนี้ยไอตัวกลมๆหลุดไปแล้วแต่ที่ไอรู้สึกก็คือน้ำเขมน้ำเล็กๆของมันนะ่ะแข็งๆใสๆมันปักเข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วมันฝังเข้าเนื้อแล้วหักคาไปแล้วแล้วตัวดอกมันก็หลุดไปแล้ว เท่านั้นแหละมันก็ปรุงแต่งต่อนะโอ้ตายแล้วหนามดอกยาเจ้าชูนะเล็กมากใส่มากแต่มันก็แข็งเนาะมันก็แข็งสามารถปักเข้าเนื้อได้แล้วก็คาหยุดในเนื้อได้อันนี้ก็มีประสบการณ์เคยโดนมาก่อนมันก็ออกมาสอนรั บ, บแบบนี้แหละต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็ปรุงแต่งต่อนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้โอ้มีปัญหาแน่นอนเลยอันนี้มันคิดต่อเลยเนาะเดินต่อไปอยู่แต่มันก็คิดขึ้นมา ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะมันต้องมีปัญหาเพราะว่าเท้าเรามันสกปรกเนาะไม่รู้เหยียบอะไรมาแต่ละวันมันเป็นที่สกปรกถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็เริ่มติดเชื้อมันจะเริ่มเป็นหนองอืเป็นหนองขึ้นมาตรงตรงหนองนั่นแหละตรงตรงแผลนัแหละตรงที่มันโดนปักนั่นแหละเพราะเราไม่เอาออกสักทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็เริ่มติดเชื้อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นฝีอืมันก็ต้องเป็นฝีสิ ถ้าเป็นฝีแล้วมันก็คิดต่ออ๋อเป็นฝีแล้วเป็นยังไงต่อเป็นฝีก็ต้องเป็นตาปลาเป็นตาปลาแล้วเป็นยังไงต่อแล้วมันก็บอกว่าโอ้เป็นตาปลาไม่สามารถเอาเองได้ไม่รู้วิธีเอาออกต้องไปหาหมอแล้วหมอก็ต้องผ่าออกหมอก็ต้องเปิดแผลสักเซนสองเซนเพื่อเอาตาปลาออกแล้วหมอก็จะปิดแผลไว้แล้วหมอก็จะบอกว่าห้ามโดนน้ำนะเนอะเป็นคําแนะนําอยู่แล้วมันก็บอกว่าโอ้กลับมาก็ต้องลําบากต้องมาระวังเดินต้องระวังอีก อาบน้ําต้องยกขาข้างเดียวเนาะแล้วมันก็คิดต่อเนาะถ้าวันนึงเราเกิดลืมล่ะเราเกิดเผลอล่ะมันจะเป็นอะไรมันก็บอกเนาะโอ้ท้ารอบนี้เกิดเผลอถ้าเกิดน้ําเข้าแผลแผลรอบนี้ผ่าตัดมาเซนสองเซนน้นําเข้าแผลแป๊บเดียวติดเชื้อรอบที่สองกว่าจะรู้ตัวการติดเชื้อนาจะรำทั้งฝ่าเท้าแล้วเนาะกว่าจะรู้ตัวว่ามันติดเชื้อมันลามทั้งฝ่าเท้าแล้ว กว่าจะรู้ตัวกว่าอาการจะกำเริบกว่าอาการจะปรากฏมันน่าจะมาถึงต้นขาแล้วถึงหน้าแข้งแล้วกว่าจะไปหาหมอกว่าหมอจะตรวจกว่าจะต้นจะนี่ไอติดเชื้อมันน่าจะถึงหัวเข่าแล้วแล้วคิดว่าการรักษาคืออะไรล่ะฮะแผลติดเชื้ออย่างรวดเร็วถึงหัวเข่าแล้วการรักษาคืออะไรมันก็บอกเนาะถ้าแผลติดเชื้ออย่างรวดเร็วแค่เนี่ยสองสามวันมันถึงหัวเข่าแล้ว การรักษามันต้องตัดขาทิ้งเลอวะต่อไปมันก็บอกว่าโอ้ถ้าตัดขาทิ้งนะเหลืออยู่ขาเดียวลำบากแน่เลยชีวิตกลายเป็นคนสามขามีไม้สองขามีขาจิงหนึ่งขาไปไหนมาไหนก็ต้องลำบากเนะมีรถเข็นขึ้นรถก็ลำบากไปกับพระอาจารย์ก็ลำบากเดี๋ยวเขาต้องมาลำบากเอาเราขึ้นรถเข็นขึ้นรถอีกเดี๋ยวต้องมาลาบากเข็นลงรถอีกไป น, นป่นไปนี่ขึ้นเงบินก็ลบาก มันก็คิดต่อนะเนาะอยู่ไปอยู่มาแบบเนี้ยอยู่ไปอยู่มามีขาเดียวมันลําบากเขานีกว่ามันสร้างภาระให้คนอื่นเนาะมันเป็นภาระให้เขาถ้างั้นศึกดีกว่ามันบอกว่าถ้าั้นศึกดีกว่าอยู่ไปเป็นภาระแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นภาระเขามาดูแ ล, แลเราคิดดูมันวางแผนศึกเรียบร้อยแล้วจู่ๆเนาะพอมันวางแผนเรี้ยงศึกปัก จ, จู่ๆอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าจู่ๆข้อมูลมันหมดลง การปรุงแต่งมันยุติลงมันไม่มีข้อมูลแล้วมันก็หายแวบไปเฉย่างแบบหายแวบไปเลยแล้วก็เอ๊ะมันหายไปแล้วนี่หว่าแต่กระบวนการที่เรามาเนาะกระบวนการที่เรามาทั้งหมดภาวะผู้ดูที่มันปรากฏเนาะมันมองหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นกระบวนการที่มันเกิดตั้งแต่แรกเห็นที่มันซ้อนความคิดท่าอย่างนั้นท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้เราจะเป็นแบบนี้ท่าแบบนี้จะเป็นแบบนั้นเมื่อมันจบตรงนี้ลงปั๊บมารู้เลยว่าโอ้ได้รู้แล้ว มันได้รู้แล้วเลยว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนาะก็ทบทวนกระบวนการดูเดินดูสักพักหนึ่งว่าเราเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ว่ามาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะมันรู้เลยว่าโอ้ยัไงการปรุงแต่งทางความคิดข้อมูลมันมีเอามาจากไหนเอามาจากเรานี่เองเราเคยเป็นแบบเนี้ยเราเคยโดนหนับดอกญ้าอันนี้ปักมันก็เอามาปักแล้วเป็นอาการแบบนี้มันก็เก็บอาการไว้สร้างเป็นเวทนาปลอม เอามาสอนรับด้วยแล้วก็ประสบการณ์แผลเคยเป็นแผลแล้วแผลมันก็เริ่มติดเชื้อกลายเป็นหนองแล้วหนองน่ะมันก็มันก็เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นฝีพอเป็นฝีปับมันก็เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตาปลาแล้วมันก็มีประสบการณ์โดนผ่าตาปลาออกมันก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมาเล่นเลยต่อไปจะเป็นแบบนี้ต่อไปจะเกิดแบบนี้ต่อไปจะเกิดแบบนี้สุดท้ายจะเกิดแบบนี้แล้วมันก็เลยไปถึงเรื่องติดเชื้อขึ้นมาเนาะ ทำว่าเรื่องติดเชื้อเคยเป็นไหมไม่ไม่เคยเป็นแต่เคยเห็นใช่ไหมมันมีประสบการณ์อยู่แล้วเคยดูมาผ่านหูผ่านตานมามันก็บอกว่าการติดเชื้อมันแป๊บเดียวเองใช่ไหมกว่าจะรู้ตัวมันมาถึงต้นขาแล้วอ่ะแล้วการรักษาคืออะไรก็ต้องตัดขาแล้วมันก็เลยบอกว่าโอ้พอมาเห็นตรงนี้เนาะพอมาเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วมันรู้แล้วรู้เหมือดปับ๊บแล้วตอนที่มันยุติ ล, ลงแล้วก็ว่าโอ้นี่ไงรู้แล้ววันมาจากไหน การปรุงแต่งมันมาจากไหนข้อมูลมันมาจากไหนมันเอามาจากไหนแล้วเราก็เชื่อด้วยที่สําคัญตรงนี้แหละเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาปับ๊บเราเชื่อด้วยเราไปกับมันด้วยเราเอาถูกเอาผิดด้วยเนี่ยคือปัญหามันขึ้นมาปับ๊บเราก็เออใช่แบบนั้นจริงๆเนาะทีนี้พอตอนท้ายเนาะก็เราเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ทบทวนแล้วว่ารู้แล้วว่าคืออะไรก็เดินจงกรมต่อไปสัก10บนาทีแหละเดินสบายสบาย แล้วก็ย้อนสภาประถามดูว่าเป็นยังไงทีนี้ก็เลยบอกตัวเองเนาะเออบัดนี้เราได้รู้แล้วเนาะเมื่อกี้เราเห็นแล้วประสบการณ์เราผ่านมาแล้วเราเห็นทุกอย่างแค่เมื่อกี้นั้นอธิบัตเมื่อกี้เราเห็นหมดแล้วว่ามันคืออะไรแต่ตอนเนี้ยมันกลับมารู้สึกตัวแล้วเป็นขณะขณะความคิดก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่บัดเนี้ยไอ้ที่เราเดินไปเดินมาอยู่มันก็ยังรู้สึกอยู่เนาะมันยังรู้สึกอยู่เลยแต่รอบเนี้ย เราจะตั้งใจแล้วเนาะก็บอกตัวเองเนาะเราจะตั้งใจนั่งลงก็นั่งลงเราจะตั้งใจก้มลงไปก็ตั้งใจก้มลงไปเราจะตั้งใจไปรูปดูว่ามันคืออะไรเนาะก็ตั้งใจไปรูปดูแล้วไปําดูแล้วก็รู้สึกว่ามันติดอยู่ก็ดึงออกมาก็จับออกมาไม้แหละเอามามองดูรู้ไม้มคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังเนาะหลวงพี่บอกว่าเดินเดือดใต้ต้นมะขามคิดว่าเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับมะขามนี่แล้วคิดว่าอะไรเดินอยู่ใต้ต้นเดินอยู่ใต้ต้นมะขามคิดว่าเกี่ยวกับมะขามเป็นอะไรได้บ้างเนาะฮะมดดโอ้มดแด ง, งมด ง, งกัดเลยโอ้ โ, อโหฉีกแนวมากเลยเกี่ยวกับมะขามเนี่ เ, เปือีอไหมกิ่งมีงมออีกหมดแล้วมั้ง มีเปลือกมีกิง่งมีปัสแดงด้วยอ๋อมีอะไรอีก ม, มีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วเนาะสิ่งที่มันพอจะปักฝ่าเท้าได้ใช่ไหมแต่รู้ไหมคืออะไรใบมะขามแห้งหักครึ่งใบมะขามแห้งหักครึ่งอ้าวแล้วมันปักฝ่าเท้าได้ยังไงล่ะเราลองคํำดูฝ่าเท้าเราสิหรือลายมือหรือฝ่ามือเราเราจะเห็นลายมือลายเท้าใช่หรือไม่ทุกคนมีไหมมีลายมือลายเท้าปี่เป็นเส้นเห็นไหม ตรงกลางฝ่าเท้าเรามีไหมมันจะเป็นจุดบอบบางที่สุดใช่หรือไม่ไอ้จุดเนี่ยคือจุดที่บอบบางที่สุดของฝ่าเท้าเราและตรงเส้นนั่นแหละตรงเส้นนั่นแหละคือจุดที่บอบบางที่สุดเนาะลองจับดูถือว่ามันบอบบางมากนั่นแหละแค่ใบบะชขาวไม่หัหกครึ่งมันไปคาอยู่ไปแนบคาอยู่ติดอยู่เฉย <pipeline> ๆแล้วมันก็ติดทนด้วยนะถามว่าใบบวชขาวไม่หัหกครึ่งมันมีหนามไหมมันไม่มีหนามแค่มันแนบคาอยู่ตรงเส้นเท้าเนี่ยต้องลอง ติดตดยุยเฉยแนบอยู่ก็เดินย่ำไปย่ํามาแต่ความคิดว่าอย่างไงความคิดว่าอย่างไงดอกยาจนชูแล้วมาจบแค่นั้นไหมไม่ประสบการณ์ต่างๆเข้ามาหมดเลยเคยเป็นตูนเคยเป็นนี่สุดท้ายตัดขาหลังใช้ชีวิตหลังตัดขาหาเรื่องสึบเรียบร้อยแล้วเป็นทุกข์ไปแล้วเนาะสุดท้ายเราแค่ใบมืขอขาวไม่หาขึ้นเนาะนั่นแหละเราจึงได้เข้าใจว่าโอนี่ไง ยังไงกระบวนการปรุงแต่งที่มันปรากฏมันมาแบบนี้เองมาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นลําดับลําดับข้อมูลอามาจากไหนล่ะประสบการณ์เรานี้เองมีเยอะก็ทุกเยอะหน่อยมีเยอะก็ปรุงเยอะหน่อยมีน้อยก็ปรุงน้อยหน่อยแต่สุดท้ายเราทุกเองนี่หว่าเนาะเราทุกไปก่อนเรียบร้อยแล้วและขอถามเนาะลองย้อนไปดูชีวิตเราแบบนี้มีเยอะไหมมีเยอะไหมที่มันไปก่อนเรียบร้อยแล้ว วางแผนล่วงหน้าเป็นเหตุเป็นผลเป็นสุกเป็นทุกไปรเรียบร้อยแล้วมีไหมมีเยอะไหมชีวิตเนี่ยวางแผนไปรเรียบร้อยแต่ไม่เป็นตามที่เราคาดมีไหมสุดท้ายใครทุกข์อ่ะนั่นแหละเนี่ยเนาะมันจึงได้เข้าใจว่าโอ้ยังไงกระบวนการการปรุงแต่งพอมาดูพอมาดูดีดดแล้วไอ้สังคารมันก็ทํางานของมันนะมันมีข้อมูลอันไหนมันก็เอาขึ้นมามีเนี่ยเอาขึ้นมา มีนนี่มาต่อเอาขึ้นมามันก็ทํางานของมันแต่เรากับกลับไปเชื่อมันไปรองรับบ้าเออมีเหตุผลกับมันด้วยเนี่ยคือตัวปัญหาที่เราไม่รู้ทันเนาะจึงบอกว่านอ้อการปฏิบัติทําไมทําไมจึงไม่ไม่อยากให้ปิดกั้นความคิดเนาะไม่อยากให้ปิดกั้นความคิดอยากให้มันอยากให้สังเกตตรงๆอันนี้คือถ้าเราสังเกตตรงตรงนั้นเราจะเจอประสบการณ์ตรงนี้อืถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บมันมันจะเข้าใจ แม้จ่เป็นเรื่องเดียวแต่บอกเลยว่าต่อให้มีเรื่องอื่นเข้ามาอีกมันก็จะรู้ว่ามันก็แบบเดียวกันกระบวนการที่มันเกิดแบบเดียวกันแต่เนื้อหามันคนละเรื่องอเนาะไอ้สิ่งที่เอามัน เ, เ, เ, เอามาใส่มันคนละเรื่องกันเนาะแต่มันปรุงเรียบร้อย แ, แล้วก็แบบเดียวกันถ้าเปรียบเสมือนสังขารคืออะไรรู้จักส้มตำไหมอยากส้มตำไหมสังขารก็คือใครรู้ไหม คือกระบวนการที่เอาทุกอย่างใส่ครบแล้วไอ้สัญญาเขาเขาเรียกว่าไอ้เครื่องปรุงส้มตำต่างๆมีพริกมีน้ําปลามีมะละกออะไรรู้ไหมคือความคิดหรือสัญญาที่เราเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างมีน้ำมีมะละกอมีมะนาวมีอะไรออะไรย่างมีน้ําตาลมีปลาร้าก็ว่าไปเนาะแต่ละคนไม่เท่ากันชอบมากก็มีเยอะหน่อยนั่นแหละ แล้วกระบวนการที่มันเอามาใส่คกแล้ว ต, ต่ำต่ำนั่นแหละคือสังขารเนาะแล้วผ ล, ผลผลิตคืออะไรที่ตักใส่จานคือฮะอะไรเมื่อกี้บอกว่าทําอะไรนะก็ผ ล, ผลผลิตคืออะไรละ่ะก็ส้มตำเนาะแต่ไอ้ส้มตำมันก็ไม่ส้มตำเนาะแต่ถ้าในภาษาธรรมนะก็คือไอ้ตัวเนี้ยก็คือนามรูป เดี๋ยวพวกนี้ค่อยว่ากันมันเป็นต่อจากนี่แหละแต่เป็นกระบวนการที่มันเกิดต่อจากนี้เนาะแต่ไอ้ตรงสังขารเนี่ยมันก็แค่กระบวนการที่เอาทุกอย่างมารวมกันปั่นรวมกันปรุงแต่งรวมกันเนี่ยถ้าเราจับหลักได้ปั๊บมันจะรู้เลยว่าอ๋อทุกอย่างก็เป็นแบบเนี้ยกระบวนการที่มันเกิดมันเอามาแต่เรื่องราวมันก็อเรื่องเนาะเรื่องราวมันคือเรื่องเฉยๆว่าถุดิบคนละอย่างแต่มันเอามาปั๊บมันจะเข้าสู่กระบวนการนี่แหละปรุงแต่ง ยำรวมกันสุดท้ายออกเป็นบางอย่างขึ้นมาเนาะถ้ามันจะเข้าใจปับ๊บมันก็จะรู้เนาะรู้ในเรื่องนี้แหละมันจะรู้เรื่องอื่นหรอกอันนี้คือประสบการณ์เนาะในการเข้าใจตรงเนี้ยแล้วมันถ้ามันบอกเลยว่ามันเข้าใจตรงนี้ปับ๊บมันก็ผ่านเลยในในเรื่องนี้เนาะเขาเรียกว่าการเข้าใจธรรมะเนาะ no? มันมีเป็นมันมีได้หลายแบบมันก็มีแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแบบอย่างรวดเร็ว ที่เขาว่ากันเคยยินไหมในตำราหรือในประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบเข้าถึงทำอย่างรวดเร็วปุ๊ บ, บถึงเลยถึงยอดเลยอะไรประมาณนั้นแต่อีกแบบหนึง่งโดยส่วนมากจะเป็นแบบนี้รู้รู้ทีละอย่างไปเนะรู้ทีละอย่างเข้าใจทีละอย่างแจ้งทีละเรื่องไปเนี่ยเป็นเรื่องตอนนี้ได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วตอนนี้ได้เข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตแล้วตีแตกแล้วรู้แล้วก็ล้อเรื่องใหม่เนะตอนนี้ได้เข้าใจเรื่อง สังขารการปรุงแต่งแล้วได้แจมแจ้งตรงนี้แล้วก็รอเรื่องใหม่อีแบบเนีน้แล้วก็รอตัดสรูป ค, ครั้งสุดท้ายเนาะจะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่ารู้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็จบทีเดียวอันนี้คือโดยส่วนมากเป็นเป็นแบบนี้แหละเนาะแต่มันก็มีแบบอย่างรวดเร็วอยู่แบบปุ๊บปบุถึงเลยทีเดียวถึงยอดเนาะเหมือ น, แบบนแบบหลวงเหมือนแบบหลวงปู่เทียนว่าท่านจับหลักคืนเดียวเช้ามาท่านบอกว่าท่านเป็นพระแล้ว นั่นคือหลวงปู่เทียนแต่โดยส่วนมากเป็นแบบนี้แหละค่อยๆรู้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่มันก็แบบเดียวกันเนาะแต่แบบนี้แต่แบบนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะต้องเก็บประสบการณ์เห็นครั้งซ้ําแล้วซ้ําเล่ารู้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าเข้าใจซ้ำแล้วซ้ําเล่าอยู่งั้นแหละจนกว่ามันจะแจ้งด้วยตัวของมันเองถ้ามันแจ้งแล้วก็คือแจ้งเนาะมันมีรู้จำเนาะรู้จํามันลืมได้ใช่หรือไม่แต่รู้แจ้งมันก็แจ้งเลย แจ้งเนสิ่งนั้นไม่มีทางลืมเนาะมันได้แจ้งแล้วมันเหมือนเราประสบการณ์ตรงนี้นะมันมันเหมือนเราเราขี่จักรยานมีใครขี่จักรยานเป็นบ้างยกมือขึ้นเกือบหมดแล้วเนาะขี่จักรยานเป็นมีใครว่ายน้ำเป็นเนาะอืมเนาะขอถามว่าเราไม่ได้ไว่ายน้ําเราไม่ได้ขี่จักรยานมานานเท่าไหร่แล้วสิบปีมั้ยยังฮะ ยี่สิบปีแล้วยังไม่ได้ขี่เลยเอาใครไม่ได้ขี่จากยาเมา่อยิบปีแล้วมีไหมสิบปีมีไห ม, มไหม้าปีแต่ถามว่าต่อบมันจะให้ให้ให้ใ ห, ให้ให้ไปขี่ใหม่เราเราจะขี่ได้ไหมทำไมจะขี่ได้ล่ะอืมันเป็นแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันการเข้าใจธรรมะมันเป็นแบบนั้นแหละต่อให้ผ่านมานานเท่าไหร่ มันก็รู้แล้วมันก็เปลี่ยนแล้วแบบเดียวกันแค่เรามัดแต่ซ้ายแต่ขวานิดนึงใช่หรือไม่ถึงจะเนิ่นนานไม่ได้ขี่มาสามสปี40ิปีแล้วแต่ซ้ายแต่ขวามันก็ไปต่อได้ไม่ได้ไน้ามาายน้าเป็นมาตั้งตั้งตั้งตั้งมั้งตั้งตั้ตงตั้งตัีดนถีบตน้ําจะจมน้งาั้งตัจตงตั้งตั้งตั้งแล้วตั้งมั้งตัจมอยู่แล้งตั้ ะ, ะมันมาเองบวนการที่เราเคยเรียนรู้มามัป็นเองอยู่แล้ว นอกจากมีอะไรพลุงพลังเต็มตัวนอกจากหมดแรงแต่สิ่งที่เราเป็นแล้วมันก็เป็นอยู่นั่นแหละมันไม่เคยลืมหรอกอันนี้คือประสบการณ์เนาะในการเข้าใจตรงนี้เออท <c oughs> ีนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันแถมให้เดี๋ยวเรื่องผีค่อยเล่าฟังพ่งนี้ เรื่องที่กันเนาะมันมีสิ่งหนึ่งนะมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบโอ้เหมือนเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าบางอย่างมันเร็วมากเนาะมันมันเร็วมันเร็วในการที่เราจะสังเกตว่ามันคือคือเรื่องทุกข์มันคือเรื่องทุกข์แต่เรากลับคิดว่าอันนี้เหรอคือคือทุกข์แต่บอกเลยว่าอันนี้คือทุกข์แต่มันเร็วเนาะมันเป็นความคิดซ้อนไปอีกไม่ใช่ความคิดแบบหยาบซะด้วยเป็นแบบละเอียดเนาะ สอนสองอสสแต่มันก็คือเรื่องเรื่องทุกวันนั้นเนาะอันนี้ก็อยู่ในพรรษาแรกนี่แหละอยู่ประมาณกลางๆลางพรรษาวันนั้นก็อยู่เห็นรูปไหมเนาะมันจะเป็นจีวรตากไปเนาะเป็นชั้นเป็นชั้นวันนั้นก็อยู่วัดก็เลยสักจีวรตากแต่ก่อนจะตากจีวรอยู่ข้างหลังเนาะไอ้ด้านหน้าเนี่ยเขาตากไปไปก่อนแล้วเราก็ไม่เห็นหรอกตอนแรกแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเอาจีวรไปตากกับเสบงืงกับ ต่างๆเราสี่ห้าชิ้นจะออกไปตากพ่อเดินมาถึงที่ตากปับ๊บเห็นไหมแถวแรกเขาตากอะไรอยู่มันดูกัด ข, ข, ขา ด, ขาดไหมมันดูเก่าไหมเนาะแต่อันนี้มันนั่นจะเป็นอีกรอบหนึ่งแต่รอบนั้นนะ่ะมันเป็นผ้าคีริ้วเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นที่เช็ดเท้าเป็นแบบผ้าเช็ดครัวแม่้านเขาเอามาตากใ น, ในแถวแรกทั้งหมดเลยเนาะทีนี้ การที่เราจะไปตากแถวสองเราต้องอ้อมไปด้างข้างเนาะต้องไปด้านข้างซึ่งมันมันก็ไกลพอสมควรแล้วก็ป่ามาันลบเนาะเห็นไหมป่ามันลบประมาณครึ่งเอวต้นหญ้ามมันเกิดก็เลยแบบโอ้ไม่อ้อมไปหรอกมันไกลก็เลยกล่ว า, กลาวว่าจะมุดข้ามไปตอนกาวว่าจะมุดข้ามไปนี่แหละปั๊บความคิดมาเลยจู่ๆเออเรามุดข้ามไม่ได้นะอันนั้นพทยคิดรดีวเราเป็นแพทย์นะอืม เราไม่สมควรเราไม่สมควรเป็นมุดข้ามมันอะไรมันของของสกปกของดำเราเป็นพระอย่าข้ามมันเนาะมันมาเลยความคิดแต่ก็เห็นแล้วแหละเออแต่จะลองดูเนาะมันจะเป็นอะไรเมื่อเราประสบการณ์ที่เราเห็นหลายอย่างเราก็จะลองไม่ทําตามความคิดก็ลองดูหยิบอาชิ้นหนึ่งก่อนเนาะเอาสะบองชิ้นหนึ่งก่อนแล้วก็มุดข้ามไปมุดข้ามไปเลยเนาะไปตากอันอยู่แถวที่สองพอไปตากปั๊บ ระหว่งระหว่างที่มุดปั๊บมันก็บอกว่ายายายายามุดข้ามมันไม่ดีมันดูไม่ไม่งามเราเป็นพระนะเดี๋ยวผิดศีลไม่รู้ว่าผิดข้อไหนแต่กลัวผิดศีลท่องศีลอ ย, ยังไม่ได้เลยแต่กลัวผิดศีลคิดดูสิเนาะศีล ส, สองร้อกว่าข้อยังท่องไม่ถูกเลยข้อไหนข้อเก้าบเกคืออะไรไม่รู้ก็ห้าสบห้าคืออะไรไม่รู้จักแต่กลัวผิดศีลอืมเดี๋ยวผิดศีลเพราะ พอไปตากปั๊บเนาะแล้วก็มุดขํามมาใหม่มันก็ว่ายาๆเดี๋ยวเขาไม่เห็นมันดูไม่งามมันดูไม่ไม่ดีดูไม่เรียบร้อยวันไหนก็ว่าไปก็ตากไปเรื่อยๆเนาะเอาว่าเอาจีวนมาตากมุดขําไปมันก็คิดอยู่แบบนั้นแหละมันเป็นของสุขภพอของตําเราไม่สมควรไปทําแบบนั้นว่าไปตากจนครบทั้งหมดเนาะพอตากครบทั้งหมดปั๊บเขามาเยือนดูว่ามันจะคิดอะไรต่อมันจะเป็นยังไงต่อความคิดมันก็หายไปเนาะแบบเออมันก็หายไป ก็เลยว่าโอ้นี่ไงมีงาหรอทาไมครูบาอาจารย์บอกว่าให้มองเรื่องทุกข์ไว้ให้สังเกตเรื่องทุกข์ไว้ให้ปฏิบัติมุ่งสู่เรื่องทุกข์ไว้เมื่อกี้ทุกข์ไปแล้วรู้ไหมทำไมถึงทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรอ๋อทุกเรียบร้อยไปแล้วฮะคิดว่าทุกข์เพราะอะไรอ่ะ มันเป็นของต่ำอัตราตัวตนเนาะเรามีอัตราตัวตนในสิ่งนั้นแล้วมันเป็นของต่ำเราดีกว่ามันมันต่ำกว่าเราเราสูงกว่ามันมันด้อยกว่าเราอันนี้คืออะไรอ่ะการเปรียบเทียบใช่หรือไม่การเปรียบเทียบเรากับเรากับเรากับคนคนนั้นกับเราเรากับสิ่งของด้วยเนาะอันนี้มันของต่ำ เราดีกว่ามันมันได้วกว่าเรามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเราดีกว่าเนี่ยอัตราตัว ต, วตวันพ่อพู้เรี้ยร้อยแล้วก็ถึงบอกว่าสังโยชน์ตัวที่8ชื่อว่ามานะเนอะมันเบาบางมากถามว่าหลวงพี่ได้โกรธให้ภาคีเล้ยวไหมได้มโหูให้มันไหมเราจึงเป็นทุกข์เราได้โกรธได้เกลียดอะไรไหมเนี่ยเราได้พอใจไม่พอใจกับมันไหมไม่ไม่มได้มีความรู้สึกโกรธให้มันเลยแต่เราก็เป็นทุกข์ไปแล้ว โดยผ่านการเปรียบเทียบเนาะความโลภความโกรธมันยังเป็นอารมณ์หยาบอยู่เลยแต่อารมณ์เนี่ยที่มันเปรียบเทียบเนี่ยมันละเอียดกว่าอีกเนาะมันละเอียดกว่าอีกแต่มันก็เป็นเรื่องทุกข์นั่นแหละเนาะทำไมการปฏิบัติที่บอกว่าให้เราสังเกตรตรงนี้ไว้ตั้งเป้าเรื่องนี้ไว้บอกเลยว่ามันจะเจอทุกข์ที่แบบเออบางอย่างก็ทุกขนะ์เนาะบางอย่างเป็นทุกข์ที่ละเอียดยิ่งอัตราตัวตนนี่แบบบอกเลยว่าอมันเบาบางมาก มันเบาบางมากมันมันครอบงำอยู่แล้วแหละถ้าเราไม่ปฏิบัติสู่เรื่องทุกปับ๊บมันไม่เห็นหรอกแม้แต่นักปฏิบัติธรรมเนาะว่าตัวเองเข้าใจธรรมะหลายๆคนแต่พอสิ่งที่แดงออกมามีแต่อัตตาตัวตนมีแต่สิ่งที่ตัวเองเป็นว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นโดยที่ไม่สนใจคนอื่นเนี่ยมันคืออัตตาตัวตนเลยแต่เขาก็ไม่เห็นนะเพราะว่าที่เขาปฏิบัติมาเขาไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องทุกไว้มันก็ไม่เห็น แต่ถ้าเราได้ตังเปลาเรื่องนี้นไปปับมันจะเห็นว่าเออตอนนี้นะอัตราตัวตนเราได้พอกพูนแล้วนะตอนนี้เราได้มีอัตราตัวตนเหนือภาคกิริย์แล้วสมควรสลายอัตราได้แล้วเนี่ยต่อไปมันจะเริ่มระวังขึ้นเนาะต่อไปมันจะระวังขึ้นต่อไปมันจะรู้ว่าต้องทํำยังไงต่อกับทุกตรงนั้นต้องทํำยังไงต่อกับอัตราตัวตนที่มันพอกพูนเนี่ยมันมันจะอยู่ตรงนี้แหละเนาะมันจะเริ่มค่อยๆถอยออกไปถอยออกไปละออกไปจาก ตัวที่มันพอกพู <c oughs> นเนาะอันนี้คือประสบการณ์เนาะในการเขา้าที่ว่าเข้าใจธรรมะอืตามจริงเนาะมันก็มีเยอะอยู่หรอกเนาะมันก็มีห ล, ลายเรื่องแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยเล่าไป เ, เป็นเรื่องเเรื่องแล้วกันวันพรุ่งนี้วันต่อไปอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นให้เราได้รู้เนะว่าที่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมุ่งมุ่งสู่เรื่องทุกและการดับทุกเนี่ยมันจะไปทางไหน แล้วมันจะไปเจออะไรเนาะตอนนี้กระบวนการเราพร้อมมีทุกอย่างแล้วครูบาอาจารย์ให้เครื่องมือแล้วด้วยเนาะให้ในอย่างเครื่องมือให้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่เราว่าไม่ไให้ไม่ได้ให้แค่อย่างเดียวสอนด้วยทํำยังไงจะไปเจออะไรเนาะอะไรจะปรากฏอะไรจะแสดงตัวเราจะทำทำยังไงกับมันบอกชี้ทางชีท้ทุกอย่างให้แล้วเหลือแต่เราแหละจะออกเดินไหมเนาะเหลือแต่เราจะออกเดินไหมเท่านั้นแหละ ะนะนี่ก็เป็นประสบการณ์ตัวเองที่จะแชร์ในค่ำนี้มาระหว่างหลอพระอาจารย์ก็ยกมือสร้างจังหวนะรอเนาะอย่า เ, เสียเวลาลองทบทวนกระบวนการที่เราเรียนรู้มาซิตลอดสองวันนีจนน้จากแต่ก่อนเคยหลงว่าเป็นเราจากแต่ก่อนเคยหลงว่าเป็นเราเออมันมีกายมีจิตใครยังแยกไม่ได้ก็รีบซะเออว่ามันมีกายมีจิตจริงนี่หว่า เอ๊แต่พอดูดีดีเอื้อในกายก็มีเวทนาแทรกมันก็ไม่ใช่กายนี่ว่าเ อ, อ๊ะจิตมันก็มีธรรมบัลลุมแทรกมันก็ไม่ใช่จิตจากสองก็กลายเป็นสี่นั่นแหละแลวลองทบทวนดูเนาะที่เราเคยปฏิบัติมาที่เราทำความสงบมาถ้าล้มบูงสู่ความสงบมันจะรู้เรื่องเหล่านี้ไหมมันจะรู้เรื่องเหล่านี้ไหมมันจะเจอความรู้อะไรแบบนี้ มากมายไหมมันจะรู้เรื่องกายเรื่องจิตไหมนั่นแหละลองปรับกระบวนการดูจเจริญพรตอนค่ำกับพวกเรา นิดหนึ่งเนาะคือพวกเราก็ได้ยินหลวงพี่ตุ้ยเล่าให้ฟังไปแล้วเห้สิ่งหนึ่งที่ ท, ที่เน้เนย้าเน้นย้ากับพวกเราก็คือการที่เราไม่ไม่ปิดกัน้นไม่ปิดกั้นกระบวนการทํางานของกายกับใจแต่ให้เราเนี่ยสังเกตอาการของกายของใจไม่ปิดกัน้นแต่ให้สังเกตดูมัน การสังเกตดูมันเนี่ยคือการเอากายเอากายมาเป็นฐานแล้วเอาใจมารู้เนื้อรู้ตัวเอาใจมาอยู่กับกายการเอาใจมาอยู่กับกายคือตั้งกรรมาฐานตรงนี้มันจะทำให้เราก็คือเราจะเห็นนะ <c oughs> การที่กายกับใจมาอยู่ด้วยกันนะมันเป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วเพราะกายมันมีอยู่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพอใจมันมารู้กับกายมากๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มรู้จักวิหาระธรรมคือมันจะเร้จักลับบ้านเป็นนะมันไม่มันไม่สเปะสปะละมันรู้แล้วว่าต้องกลับมาที่ไหนอันที่สามก็คือเมื่อเมื่อกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมากๆเข้าเนี่ยมันจะเห็น มันจะเห็นปรากฏการหนึ่งเกิดขึ้นก็คือมันเห็นจังหวะของการที่กายกับใจมันแยกจากกันเข้าใจไหมในข้อที่3นี่คือจะเห็นกายกับใจมันแยกจากกันซึ่งเมื่อกายกับใจมันแยกจากกันในช่วงจังหวะที่เราเห็นมันเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าธรรมชาติใดที่เรียกว่ากายธรรมชาติใดที่เรียกว่าจิตแยกธรรมชาติของกายออกแยกธรรมชาติของจิตออก โดยเห็นกายก็มีอาการมีหน้าที่มีการงานมีลักษณะธรรมชาติของมันเห็นจิตมีอาการมีหน้าที่มีการงานมีลักษณะธรรมชาติของมันการมองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามเป็นซึ่งในตรงนี้มันมันทำให้เราเห็นเห็นความเป็นองค์ประกอบของชีวิต ไม่ได้มองเห็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเขาเรียกว่าการเห็นอย่างนี้นั้นเป็นวิปัสนาญาณด้วยเมื่อเป็นวิปัสนาญาณคือเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราคลายจากความหลงติดยึดมั่นในความเป็นสักกายทิฐิคือมองเป็นเราแต่มันจะมองใหม่นสักกายทิฐิมันทำให้มองเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ย แต่มันจะมองในมุมใหม่ก็คือเห็นว่าที่เห็นเป็นกายใจของเราเนี่ยที่เห็นเป็นเนี้ยเห็นตัวเราเนี่ยที่แท้แล้วประกอบด้วยกายกับใจคือรูปกับนามเขาจะย่างเห็นเนี่ยเคยจะมองออกอย่างนี้มันไม่มองเป็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวละแต่เห็นเป็นกายกับใจทํางานมีกายแสดงอาการอย่างหนึ่งมีใจแสดงอาการอีกอย่างหนึ่งแต่เราเราเรารื้อล้ำไปกว่านั้นอีกเพราะเรามองเห็นว่ามันมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอารมณ์ใช่หรือไม่ ถูกไหมมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้มองเห็นแค่เป็น2อย่างแต่เรามองเห็นถึงถึงอย่างซึ่งในนรกรรการมองเห็น4อย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่เมื่อเมื่อแยกกายแยกจิตเป็นในข้อที่3เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าที่แท้แล้วมันเริ่มเข้าสู่การทำลายสกายยทิฏฐิด้วยการมองเห็นความจริงว่ามันองค์ประกอบคือกายกับใจ กายกับจิตจากนั้นในข้อที่4ี่ก็คือมันจะเห็นสภาวะธรรมที่เป็นองค์ประกอบมากขึ้นก็คือเห็นเป็นกายเวทนาจิตธรรมเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือเห็นอาการที่มันพอใจและไม่พอใจในอาการของกายเวทนาจิตธรรมซึ่งแน่ น, นอนอาจารย์อธิบายไปแล้วใช่หรือไม่ถูกไหมอธิบายไปยัง ย้ำอีกครั้งหนึ่งอธิบายไว้ยังร่องกายเวทนาจิตธรรม mm hmm. เพื่อให้ถอนความพอใจความไม่พอใจออกจากอาการของกายเวทนาจิตธรรมถูกไหมซึ่งการถอนความพอใจความไม่พอใจได้เนี่ยมันจะทําให้ไปเหเจอข้อที่5ข้อที่5ก็คือมันจะเห็นเห็นตัว พตัตยหลักที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาจิตธรร ม, อ, มอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเราเดินทางมาข้อที่สี่แล้วใช่ไหมเราเรียนถึงข้อที่สี่ยังถึงยังเอาเอาให้แน่นะชีวิตเพิ่งเรียนไปเมื่อตอนบ่ายยังงงงงอยู่แหลวตายละผ่าน ผ่านห้าวันมันลุ้แล้วเดินออกไปแบบจำไม่ได้ไม่ได้ชื่อตัวเอง <laughs> อ่ะถูกไหมเมื่อตอนบ่ายอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่ามันมีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ามันมีกระบวนการหนึ่งที่คืออาการที่ใจเผลอเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เ, เกิดอาการเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งให้ตัวเองเป็นทุกข์ด้วยความพอใจความไม่พอใจในอาการของกายเวทนาจิตและธรรมที่แสดงอาการออกมาถูกไหมเจอวงกลมแดงๆที่มันซ้อนนะ่ะใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรจึงให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียก็คือกลับมารู้สึกตัว ซึ่งเมื่อกลับมารู้สึกตัวได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ข้อที่ห้าคือเห็นกายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นไปตามกฎพระไตรักอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญอีกตัวหนึ่งการมองเห็นกายเวทนาจิตธรรมไปตามกฎพระไตรักนี่ให้เห็นอย่างไรที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกายในกายใครจะฟังอีกเข้าใจไหม กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยคือการมองเห็นกายเป็นไปตามกฎพระไตรลักษ์เนี่ยมันจึงไม่ใช่การปมองไปเห็นว่ามันเป็นซากศพอย่างที่บอกว่าให้เห็นเป็นศพปป่าชาทั้ง9้าเนี่ยหรือไม่ได้ให้เป็นเป็นอสุภะหรือว่าให้เห็นเป็นอาการ32มสิอผมขนเล็บฟันหนังตับไตไแทพุงอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นมบบนัน แต่ให้เห็นว่าในขณะที่กายที่เรากำหนดอยู่เนี้ยกายที่เรากำหนดหเคลื่อนไหวไปมาหรือกายที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกายที่เรากำหนดผ่านอิริยบทยืนเดินนั่งนอนหรือเดินจงกรมก็ตามในขณะที่เรากำหนดอิริยบทเหล่านี้อยู่ฟังตามชัดไหมฟังให้ชัดนะตามดีๆนะ เมื่อเรากำหนดอิริยาบถเหล่านี้อยู่คำถามของอาจารย์ที่จะถามพวกเราก็คือเราเห็นแค่อาการที่เคลื่อนไหวตามนี้ไหมหรือในขณะที่เรากำหนดอยู่กับการเคลื่อนไหว14จังหวะอยู่นั้นมันมีอาการอื่นของกายที่แสดงออกมีอิริยาบทย่อ ย, อยอย่างอื่นที่แสดงออกไหมมีไหมถ้าอย่างนั้นถามก็คือ ทำไมมันถึงมีอาการกิริยาอื่นหรืออิริยาบถอื่นปรากฏขึ้นทางทั้งที่เราไม่ได้กำหนดมันเล่าทำไมถึงได้มีอาการอื่นถึงได้มีอิริยาบถอื่นถึงมีอาการกิริยาอื่นของกายที่นอกเหนือจากที่เรากำหนดละ่ะทำไม ทำไมมันถึงมีอาการอย่างนั้นขึ้นได้อาจารย์ถามพวกเราว่ามันมีไหมพวกเราตอบว่ายืนยันว่ามีอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วเคยสงสัยไหมว่าทําไมมันมีทั้งทั้งที่เรากําหนดตัวนี้อยู่แต่กลับมีอาการอื่นใช่หรือไม่ทั้งทั้งที่เรากําหนดลมหายใจอยู่แต่กลับมีอาการอื่นใช่หรือไม่ทั้งๆที่เรากําหนดเดินจงกรมอยู่แต่กลับมีอาการอื่นใช่หรือไม่ที่ปรากฏขึ้นกับกาย ในพระไตรลักษณ์ที่บอกว่าทุกขังทุกขังคืออาการที่มันทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ยากทนอยู่ยากทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่คือคำว่าทุกขังเพราะฉะนั้นอาการกริยาอื่นอากับกริยาอื่นอิริยาบถอื่นอาการอื่นที่ปรากฏกับกายที่นอกเหนือจากเรากำหนดมันคือการแสดงออกถึงความเป็น ทุกขังขังกายเข้าใจอย่างไหนเนี่ยที่มันไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมมันก็เลยต้องเปลี่ยนปรับอากัปกิริยาต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวของมันเองและอาการที่มันเปลี่ยนด้วยตัวของมันเองมันแปลว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราไหมไม่เพราะตอนนั้นเราบังคับบัญชาให้มันเคลื่อนไหวสิบจังหวะเพราะตอนนั้นเราบังคับบัญชาให้มัน คือตอนนั้นเรากำหนดให้มันเคลื่อน14จังหวะหรือตอนนั้นเรากำหนดดูลมหายใจหรือตอนนั้นเรากำหนดการเคลื่อนไหวแต่มันกลับมีอาการอื่นที่มันทำด้วยตัวของมันเองทั้งนั้นแปลว่าขณะที่มันทำด้วยตัวของมันเองนั้นมันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราหรือไม่เมื่อไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราจึงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาเข้าใจอย่างเห็นนี้หลายคนบอกโอ้ ไม่เคยเรื่องอนิจจังอนัตตาบอกพระอาจารย์เคยท่องได้อยู่แต่ทําไมไม่เคยเข้าใจกับมันที่เราไม่เคยเข้าใจเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปสังเกตรตรงไหนถึงจะได้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจอย่างเห็นเนี่ยเพราะว่าปฏิบัติปฏิบัติไปไม่ใช่มันโผล่มาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นาไม่ได้โผล่มาอย่างนั้นเข้าใจไหม ภาวะแห่งการแสดงความเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตามันเกิดจากอาการที่มันแสดงออกอย่างกายเนี่ยอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนตัตตาอย่างไรเล่าเธอจงสังเกตอย่างนี้นี่คือเหตุผลว่าทาไมบุบรพาาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เราทำไมท่านให้เราอยู่ใน การกำหนดกรรมฐานที่กายฟังให้ชัดการที่ท่านให้เรากำหนดกรรมฐานที่กายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นอิริยบทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอิริย ย, ย่อยอย่างที่หลวงปู่เทียนให้กาหนด14บสีจังหวะหรือที่เรารู้จักกันมากๆคือการเดินจงกรมหรือรู้จักดูลมหายใจเข้าออกดันั้นขณะที่เรากาหนด ฟังให้ชัดขณะที่เรากำหนดอยู่กับอิริยบทหลักเหล่านั้นมันกลับมีอิริยบทย่อยอื่นที่สามารถแสดงด้วยตัวของมันเองและมันทำงานด้วยตัวของมันเองท่านให้เราสังเกตเห็นด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมให้เอาใจมาละลึกรู้เนื้อรู้ตัวกับกายก็เพื่อจะได้เห็นกายเนี่ย มันจะแสดงความเป็นทุกขังให้เราเห็นนั่งยกมืออยู่อยู่อตาบักระพริบมีไหมมีป่าเออนั่งยกมืออยู่ดีๆอยู่ๆก็ปัดป่วนท้องขึ้นมามีไหมใช่ป่ะนั่งคัดสมาดยกมือซะจังหวัดอยู่ดีขาสั่นนิกกๆขึ้นมามีไหม นั่งอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มีอาการนั้นมีอาการนี้โผล่ขึ้นมาใช่หรือเปล่ากําหนดอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่สักพักหนึ่งรู้สึกอึด อ, อัดเอาหายใจออกมาเฉยเลยแล้วกลับไปรู้ลมหายใจแล้วขณะที่เอามาเนี่ยสังเกตหรือมมันอึดอัดก่อนมันอึดอัดก่อนนะก่อนที่มันจะออกมาใช่หรือไม่ฉะนั้นแปลว่าขณะที่มันอึดอัดมันแสดงอาการเป็นทุกข์แล้วมันก็ระบายบําบัดทุกข์ด้วยการ เออหายไว้ใช่หรือไม่เพราะนั้นแปลว่าในขณะที่มันแสดงอิริยาบทต่างๆแสดงอากับกริยาต่างๆที่มันทําขึ้นมาเองนั้นอ่ะมันกําลังเป็นทุกข์และมันกําลังบําบัดทุกข์อยู่ในตัวของมันทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ได้ขออนุญาตเราเลยมันไม่ได้สนใจด้วยว่าเราจะรู้กับมันหรือไม่รู้กับมัน มันไม่ได้สนใจด้วยว่าเราจะสนใจมันหรือไม่สนใจมันมันไม่ได้สนใจด้วยว่าเราจะเข้าใจมันหรือไม่เข้าใจมันแต่มันก็ทำของมันเออความเป็นทุกข์ขังของกายมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสังเกตเห็นเพราะเมื่อเราสังเกตเห็นความเป็นทุกข์ขังของกายมากๆเข้าปุ๊บ มันจะเข้าใจความจริงที่ได้ยินพระพุทธเจ้าบอกได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ากายนี้มันเป็นก้อนทุกข์เคยได้ยินไหมมันเป็นก้อนทุกข์และไอ้ก้อนทุกข์ก้อนนี้ต้องเมื่อเราเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยเราจะรู้เรืว่า อ, อ๋อไอ้ก้อนทุกข์ก้อนนี้มันแสดงอาการเป็นทุกข์อยู่ทุกขณะแล้วต้องทํำยังไงกับมันเมื่อนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่า อ๋อทุกของกายเนี่ยเราต้องบำบัดคำว่าบำบัดแปลว่ามันดับได้โดยเด็ดขาดไหมมันแปลว่าการบำบัดทุกนั้นมันจะเกิดขึ้นทีละเรื่องทีละอย่างทีละขณะเป็นทุกขึ้นทีลรก็บำบัดครั้งหนึ่งเป็นทุกขึ้นทีละก็บำบัดครั้งหนึ่ ง, เ ป, บบ ง, งเป็นทุกอีกแล้วก็บำบัดอีกมันก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว ไอ้ก้อนทุกก้อนเนียมันเป็นทุกอยู่ทุกขณะแล้วต้องบำบัดอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันแสดงอาการกิริยาต่างต่างแสดงอาการอะไรไปเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นคือมันกำลังเป็นทุกขและบำบัดทุกขอยู่ในตัวของมันเองมีโยมคนหนึ่งเขามาปฏิบัติก็บอกพระอาจารย์โยมอะโยมก็นั่งปฏิบั ต, บติบนเตียงนอนนี่แหละเสร็จแล้วก็ อนกายลงนอนก็ขยับมืออย่างที่อาจารย์สอนเขาปฏิบัติอยู่ที่นี่แหละนะก็พวกเรานอนห้องรวมไหมออแล้วชอเป็นแล้วเอาเป็นข้ออ้างไหมว่ามันรวมแล้วก็เลยปฏิบัติไม่ได้ก่อนนอนฮะคนนี้เขาปฏบิบัติบนเตียงนอนเลยเข้าใจไหมเขาปฏิบัตบนเตียงนอนเขาแหะเพราะว่าเตียงนอนของเรามีใครมาเบียดเราไหม มีใครมาแย่งเรานอนไหมเอองั้นอย่าเอามาเป็นข้ออ้างเพราะขณะที่เรานอนเราขยับมือได้ไหมกำหนดลมหายใจได้ไหมได้เขาก็นอนขยับมือไปขยับมือมาเขาบอกอยู่ๆมันก็หยุดอยู่บนจุดเองแล้วมันก็กระตุกนิดนึงกมันหลับอาจารย์ มันหยุดแล้วมันก็ตกนิดหนึ่งเข้าใจไหมมันเหมือนเวลาเราดับเครื่องยนต์อะคิดภาพออกไหมเราหมุนกุญแจกลับอะดับเครื่องอะ่ะแล้วก็ดดึนิดหนึ่งอะ่ะเข้าใจไหมเคยรู้สึกไหมรถเวลาเราเราดับเครื่องอะมันก็จะมีแบบดึดนิดหนึ่งใช่ไหมเออแบบนั้นอะมันดึดเอ๊ยมันหลับแกว่ขนาขณะนั้นจิตมันยังตื่นอยู่แกวไอ้ดูที่มันจะเป็นยังไงต่อ ทีนี้แกนอนน่ะแกนอนโดยอ น, นอนท่านี้นี่นอนท่านี้ขาซ้ายนี่เหยียดขาขวานี่งออย่างงี้เข้าใจไหมแกก็ดูไปดูมาดูไปดูมาสักพักหนึ่งเว้ยมันเกิดอาการปวดปวดเมื่อยขาข้างขวาแกก็ดูว่ามันจะทําไงต่อสักพักมันเหยียดอย่างเงี้ยอเอาแค่นี้ยเข้าใจไหมเนี่ยดูเห็นชัดไหมเนะี่ย แล้วมันปวดแกเขาบอกว่าโยมเขาเห็นเลยนะมันขยับขาขามันขยับเองเลยนะคือแค่นี้เนี่ยเหยียมันนิดเดียวแค่นี้พอเหยียมันนิดเดียวปุ๊บมันหายปวดเมื่อยมันหายปวดเมื่อยปุ๊บมันพอแค่นั้นะ่ะโยมว่าเออนี่เอง ที่พระอาจารย์บอกว่าพอมันเป็นทุกข์มันก็จะบําบัดทุกข์อิเลียบทันขยับปุ๊บนี่ฮอนี่เองที่บอกว่ามันเป็นทุกข์แล้วมัเลยบำบัดทุกข์ด้วยอิเลียบทนั่นเองพระอาจารย์โยมเห็นชัดเลยนะเพราะถ้าเป็นโยมเหยียดเข้่ะถ้าเป็นโยมเหยียดนะโยมต้องเข้าใจไหมถ้าเป็นเราเป็นผู้เข้าไปเหยียดอะ มันจะไม่เอาแค่นี้มันจะฉุบใช่ไหมแต่เนี้ยมันทำของมันเองมันมันเอาแค่นี้มันทำของมันเองเอาแค่นี้มันก็หายทุกเห็นไหมแต่ที่เราแบบพูดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่ไข้ทุกแต่เป็นอย่างที่กูอยากจะได้อ่าจริงไหม แล้วมันต่างกันนะเขาเขาเห็นอย่างนี้เลยนะเขาเห็นอย่างนี้แล้วโอ้นีเองที่พระอาจารย์บอกว่าให้เห็นกายมันเป็นก้อนทุกข์แล้วมันก็บำบัดทุกข์ของมันด้วยการขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถของมันความเป็นทุกข์บีบคั้นให้มันเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อบำบัดทุกข์ยมเห็นชัดเลยพระอาจารย์อืมแล้วสังเกตเห็นไหมเวลาเรากิวน้ํา เกิดการกระหายน้ำมันจะแสดงอาการคอแห้งใช่หรือไม่เพรา ะ, ะนั้นเราก็บำบัดมันด้วยการดื่มน้ำเพราะฉะนันถ้าดื่มอย่างมีสติก็คือจิบไปทีหนึง่งหายไหมยังไม่หายจิบอีกหายไหมยังไม่หายจิบอีกอื้มหายแล้วจบแปลว่ามัน มันพอแล้วการบำบัดแต่ของเราจะเป็นไงใช่หรือไม่ไอที่อักๆๆก อ, กอกทั้งหมดคืออะไรอยากล้วนลว น, <c oughs> ไ, ม ไ, น, นไม่ได้กำหนดรู้ทุกแล้วบำบัดทุกเห็นไหม <c oughs> ทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันกระหายน้ำก็เอาน้ำให้มันไงแต่มันกระหายน้ำเราเอา <c oughs> เอะไรให้มันอีก <c oughs> เอาน้ำหวานเอาน้ําอัดลมเอาน้อนอันนี้ให้มันเสร็จแล้วทําไงต่อกายมาแสดงควาไมไปทุกข์เหนียวคอนื้อหนะหนื้อหาทำไงเอาน้ำเปล่าอีกทีนึงถ้าเอาน้ําเปล่าแต่แรกจบไปแล้วแต่ที่ว่าเอาน้ำอัดลมใส่ก็ไปแทนก่อนแรกเพราะอะไรอยากไม่ใช่การบำบัดทุกข์แต่เป็นไปนสน อ, องความอยากเห็นไหมเห็นไหม มันหิวข้าวมันเป็นทุกมัไหมแล้วก็เริ่มฉันข้าวลองตักอาหารใส่ผักเคียเค้ยวเียวตั้งใจเคี้ยวแล้วค่อยค่อยกลืนลงไปตักใหม่เคี้ยวแล้วค่อยค่อยกลืนลงไปเนี่ยไม่นานความหิวจะหายไปใช่หรือไม่แล้วความหิวดับไหม แปลว่าทุกถูกบำบัดแล้วยังทุกได้รับการบําบัดแล้วเพราะฉะนั้นเอาเขาจริงๆเนี่ยไม่เยอะไอ้ที่เยอะเนี่ยล้วนๆใจล้วนๆหรือตัวอีกทีนี่อันนี้มันไม่เพราะเวลาเราเวลาพิจารณาเราฉันบินทบาตเพื่อ บำบัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น <laughs> ใช่หรือไม่เอาจริงไหม ปฏิสังขาโยนีโซปินตปาตังปฏิเสวามีนิเราย่อมพิจารณาโดยแยกลายแล้วฉันบินธบาทนนวทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนัมทาญะไม่ให้เป็นไปเพื่อความมอ่มันเกิดกําลังพลังทางกายนัมันนาญาไม่ได้เป็นไปเพื่อประดับนัมิภูศนายะไม่ได้เป็ น, ปป น, น ไ, ไเ ป, นปเพื่อตกแต่งยาวะเดวาอิมสัสกายะสะทิทยะแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งยได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ อิงสุปราชญาเป็นความสิ้นแปลให้ความลำบากทางกายพร ม, มจาริยานุขหายะเพื่อประพฤติพรหมจารย์อิติปุรานันจะเวทานางปฏิหังขามิและเพื่อบำบัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวให้มันดับไปและไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรากินด้วยการดับทุกขเวทนาเก่ามันจึงเป็นการกินด้วยการมีสติค่อยๆลองดูนะแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ย กินเพื่อดับความหิวนี่ดับทุกนี่มันมันไม่มากไม่หมายอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบมีสติอ่าพวกนี้ลองดูนะพวกนี้นะพวกนี้ลองดูจริงๆงลองทำดูแล้วถ้าพวกนี้ถ้ามันไม่หิวอ่ะแต่มันได้เวลาต้องกินส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าได้เวลาต้องกินข้าวแล้ว เพาะถาไม่กินตอนนี้ก็ไม่ได้กินเพราะเวลากินข้าคือเวลานี้เขาดูมันไปทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหิวมันก็นหายก็ลองทำอย่างอาจารย์ว่ากําหนดรู้ทุกแล้วก็บําบัดทุกกายกําหนดรู้ทุกแล้วบําบัดทุกกายเพราะฉะนั้นเวลาลําบากปวดเมื่อเวลานั่งนานๆทําไมพ่อแม่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์เราจารึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนให้สังเกตมันดูก่อนได้ไหม ใช่ไหมให้สังเกตมันดูก่อนถ้ากายมันเกิดอาการปวดเมื่อยมันแสดงความเป็นทุกข์ใช่หรือไม่ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บ อ, อันนี้เขาเรียกว่าไม่มีสติให้เรากําหนดก่อนอันดับแรกดูดูว่าใจเราเล่าร้อนใจเราลุ่มร้อนอยากเปลี่ยนไหมถ้าใจมันอยากเปลี่ยนให้ระงับใจที่อยากเปลี่ยนก่อน จากนั้นเมื่อใจที่มันหยุดหยุดความรุ่มร้อนที่อยากจะเปลี่ยนแล้วให้กำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์กายจากนั้นให้เราลองปรับวิริยบทด้วยความตั้งใจทรรมเราก็จะเห็นว่าทุกขเวทนาทางกายที่ปรากฏขึ้นนั้นมันก็จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการหายไปมันก็เกิดการบำบัดทุกข์กายอ้อนี่เองแล้วพอเราสังเกตบ่อยๆเรากําหนดรู้บ่อยๆและกําหนดอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บมันจะได้ชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งอ๋อนี่เองที่บอกว่าอิรียบทนี่เองมันคือตัวบ่งบอกถึงความเป็นทุกข์และการบำบัดทุกข์อยู่ในตัวทั้งเราช่วยในการบาบัด ท้งตัวมันเองที่แสดงอาการด้วยตัวมันเองแล้วก็บำบัดด้วยตัวมันเองก็มีเข้าใจไหมเพราะนทุกกายกลายเป็นสิ่งที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราสังเกตเห็นว่าโอ้กายมันเป็นก้อนทุกข์เป็นอย่างนี้เองนี่เข้าใจไหมเมื่อเห็นความเป็นทุกข์กายผ่านตรงนี้ปุ๊บเห็นว่าอ๋อเห็นความเป็นอนัตตาคือภาวะที่มันทำด้วยตัวของ มันเป็นด้วยตัวของมันเองมันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเรานเนาะห้ามก็ไม่ได้พักใสก็ไม่ได้เอก้อนทุกตัวเนี้ยความเป็นทุกตัวนี้ที่มันจะแสดงออกมาห้ามได้ไหมหนีลังได้ไหมผลักใสได้ไหมไม่เอาได้ไหมไม่การเห็นความเป็นทุกข์ที่ปรากฏขึ้นอย่างเนี้ยที่ปรากฏขึ้นกับกายเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจความจริงนะ ความเป็นทุกข์ังความเป็นอนัตตามันจะทำมาให้เราเข้าใจความจริงตรงนี้ใจที่มันเคยยึดมั่นถือมั่นในกายในความเป็นเราเป็นของเรามันก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายออกเองเพราะเวลาอะไรเกิดขึ้นกับกายปุ๊บมันก็อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือความเป็นอนิจจังทุกข์ังอนัตตาที่มันทํางานของมัน ความเข้าใจอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราประจักษ์กับการสังเกตที่เราหมั่นฝึกและสังเกตกับมันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นในคำสอนแห่งคุธศาสนาเราจึงเห็นกายตามความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าเห็นกายในกายเข้าใจไหมทีนี้เพื่อทำลายความเห็นผิดว่ากายเป็นเราเป็นของเรา แต่เห็นกายเป็นสภาวะธรรมที่มันเป็นเช่นนั้นของมันเราจะได้ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นแต่ในขณะเดียวกันในคำสอนอ่างพุทธศาสนาแม้นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปทำลายเข้าใจไหมแม้นพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอราหันต์เจ้าทั้งหลาย เห็นความไร้สาระแห่งกายเห็นความไม่ใช่ตัวตนใดๆของกายก็ไม่มีใครคิดทำลายกายเพราะอะไรเพราะไม่ทำลายมันก็ทำลายตัวมันเองอยู่แล้วเข้าใจไหมจึงมีข้อห้ามเด็ดขาดว่าห้ามพรากชีวิต ห้ามพากชีวิตนะแต่ถ้าเข้าถึงความเป็นจริงลงแล้วท่านก็ไม่เคยคิดปรารถนาจะพรากชีวิตหรือดับชีวิตนี้ลงเพราะท่านก็เห็นว่าแม้นแ ม, ม้นมันไม่หาแ่นสารที่แท้จริงไม่ได้ก็จริงนะมันไม่ใช่ตัวตนใดๆของเราที่จะหมายมั่นเอาตามความปรารถนาก็จริงแต่มันเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้เผยแผ่ คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช้ในการที่จะบำเพ็ญช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่ ว, ว่าเอามันมาเป็นเครื่องมือเข้าใจไหมพรานก็จะใช้มันไปจนกว่ามันจะแตกดับเหมือนพระพุทธเจ้าทรงใช้ไปใช้ไปจนวันหนึ่งก็บอกอาโ น, น์กายนี้มันไม่ไหวแล้วเห็นนะมันเหมือนเกวียนเก่า เหมือนเกวียนเก่าๆที่ใช้กันมานานเอาไม้ใหม่มาเสริมมาเติมมันผุพังเอาไม้ใหม่มาเสริมมาเติมมันก็ไม่อาจจะเหมือนเหมือนเหมือนเกวียนลาเดิมเล่มเดิมได้เข้าใจไหมมันก็ไม่เหมือนเกวียนเล่มเดิมเนาะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจพูดถึงกายในลักษณะที่ว่าพระองค์ใช้ ม, ชมันเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมมา5ปีเนียมันเริ่ม มันเริ่มผุเริ่มสลายเริ่มเริ่มเริ่มจะจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการลักสมควรแล้วที่เราจะได้วางผลาะนี้ลงเข้าใจไหมวางสิ่งนี้ลงแล้วใช้มันต่อไปไม่ได้อันนี้คือเห็นตามความเป็นจริงของกาย จึงไม่ได้คิดจะทำลายกายจึงไม่ได้คิดกังเกียดกายแต่เห็นกายว่ามันยังสามารถเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการเผยแผ่คำสอนเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือเวในยศัตท์ทั้งหลายอยู่เพราะนั้นพระอัลพุทธเจ้าพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงแล้วท่านจึงไม่เคยคิดจะทาลายกายแต่ท่านเห็นกายแล้วจะใช้กายเนี่ย อย่างพอเหมาะพอควรไม่สมบุกสมบันไม่ใช้มันเกินกำลังอีกต่อไปแต่จะใช้มันอย่างรู้เท่าทันใช้มันอย่างรู้เท่าทันใช้มันอย่างเข้าใจเข้าใจั้ยจากเมื่อก่อนเคยใช้มันอย่างสมบุกสมบันเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านปฏิบัติบางทีท่านก็โลดโผนเนาะสู้กับมันอย่างเต็มที่อย่างเงี้ย ทั่วความอยากทุกขกับความยากลําบากในวันเวลาที่มันเมื่อก่อนเนี่ยมันทุกข์ยากลําบากเลจีวรจะได้ถิ่นผืนอาหารบินธบาตจะได้จะรับก้อนมันไม่เหมือนสมัยนีนะ้พระอาจารย์มักบอกพระสเสมอว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเราเนี่ยถือว่าได้กินบารมีบุญบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์นะ ท่านทำไว้เนี่ยทำให้เกิดความศรัทธาตั้งมั่นจนพวกเราเนี่ยจีวรเนี่ยก็หาง่ายง่ายบินธบาตก็หาง่ายงายเสนาสนะก็หาง่ายง่ายยารักษาโรค ก, ก็หาง่ายง่ายไม่เหมือนนะครับผมอ่านประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ ย, ยน้ำตาผมนี่ทำให้ผมฮึกเหมิเหมมากเลยนะน้ำตาผมนี่อิ่มเอิบความสุขพี่เห็น ประวัติของท่านแต่ละท่านนี่ท่านต่อสู้เนี่ยวางรากฐานให้พวกเราผมเห็นลูกหลานระยะหลังมานี่โอ้ยใช้จีวรกันอย่างทุ่มฟุ่มเฟือยกินบินทบาเก็ฟุ่มเฟือยเสยนาสนะก็ไม่รู้จักรักษากไม่รู้จักดูแลยารักษาโรค ก, ก็กาดเกอนทิ้งทิ้งขว้างขวางกว่าโอ้ อ่านดูประวัติยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์สมัยเก่านี่เนอะยุคหลวงปู่ม่นหลวงปู่นี่จนอยู่ในภัยสงครามด้วยใช่ไหมสมัยนูน้นอดอยากผากแห้งจะตายกว่าจะบินทบาดได้ข้าวก้อนหนึ่งพอจะฉนันลำบากกับข้าวไม่ต้องถามถึงไปเจอชาวป่าชาวเขาพริกกะเกือพริกกะเกือผักต้มผักได้ก็แถวๆนั้นแล้วเามาใส่บาต ก็ประทางชีวิตอยู่เงีย้ยพวกเร า, ากินบุญบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องทำบุญบารมีของเราเองเพื่อจะส่งทอดต่อออกไปให้กับลูกหลานในรุ่นหลังเราอีกไม่งั้นแล้วบุญบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์จะมาหมดในช่วงเราเนี่แหละเ <laughs> พราะเรากินล้างกินผาน เรากินล้างกินผ่านใช้ล้างใช้ผ่านเข้าใจไหม เ, ออเพราะฉะนั้นตอนนี้ในยุค ข, ของเราจะต้องสร้างบุญบารามีขึ้นมาเพื่อให้สืบทอดต่อลูกหลานเราไปอีกอนะย่าไปกินล้างกินผ่านเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าในวันเวลาของเราเนี่ยนะเรามันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นบินทบาตก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น จีวรก็ไม่ได้ยากขนาด น, นั้นเสนาสนะก็ไม่ยากขนาดนั้นคีลานาเพศัตรก็ไม่ได้ยากขนาด น, นั้ น, น, เ, พ น, น, น, น, นเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะมุ่งมั่นเอาเวลาเนี่ยมาสังเกตังการสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราให้มากเพื่อเดินตามรอยของท่านอันนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์พยายามแนะให้พวกเราสังเกตดูอาการกิกริยาของกายที่มันแสดงความเป็นทุกข์ของมัน เรียนรู้ที่จะบำบัดทุกกายสังเกตอาการทุกกายที่เกิดอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆมันจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่ากายที่เราหลงยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแท้จริงแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงสภาวะธรรมหนึ่งที่ประกอบกันเป็นสังขารละธรรมที่ดำลงอยู่แล้วก็เสื่อมแล้วก็ดับไปตามการเวลาของมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเองเราเพียงแค่ อ า, อาศัยเพื่อที่จะใช้มันเพราะฉะนั้นถาวันหนึ่งที่มันจะแตกดับเราควรจะอาลัยอาวร์เราควรจ ะ, ะ, รรรจะทุรนทุลายไหมกับการที่มันจะต้องแตกดับไปไม่ <c oughs> การเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะทำให้เราไม่ทุรนทุลายจะทำให้รู้สึกว่าไม่ไม่จาเป็น คนที่ทุรนทุรายกับการจะแตกดับของกายเนี่ยเพราะหนึ่งไม่เข้าใจความเป็นจริงของกาย 2. งความไม่เข้าใจตรงนั้นก็เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบตัติเมื่อไม่ปฏิบัติจึงใจจึงไม่พร้อมใจไม่พร้อมกับการเห็นความจริงตัว น, นี้ไม่พอใจก็ยังไม่พร้อมเพราะยังสร้างเหตุปัจจัยที่จะทาตัวเองมั่นใจกับการเดินทาง ยังไม่พออีกเข้าใจไหมเมื่อใจยังรู้สึกว่ายังสร้างเหตุปัจจัยไม่พอมันจะดิ้นทุรนทุรหลายว่าอันนั้นยังไม่ทําอันนี้ยังไม่ทําเห็นไหมที่มันคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าในวันเวลาที่ต้องทาหรือถึงสมควรทากลับใช้เวลานั้นไปทําเรื่องอื่นเสีย แล้วพอถึงตรงนั้นปุ๊บก็เลยดิ้นทุรนทุนทนลายเนี่ยหลายคนถามว่าพระอาจารย์เวลาก่อนจะตายกายจะทรมานไหมกายอะ่ะไม่ทรมานแต่ใจอะ่ะจะทรมานถ้ามันสร้างเหตุปัจจัยไม่ดีพอพอเอาเขาจริงๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บกายอย่างที่บอกอะ่ะ เวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันจะถูกตัดไปเลยอัตโนมัติทุกอย่างจะรวมลงที่ใจอย่างเดียวไม่ใช่หัวใจนะไปที่จิตอย่างเดียวเลยเพราะพลังทั้งหมดจะต้องพาสู่การเปลี่ยนภพชาติหลายคนวิตกกังวลว่ากลัวตัวเองจะทุกข์ทรมาน ในช่วงเวลานั้นแล้วจะไม่มีกำลังของจิตในการพาตัวเองไปสร้างเขตปัจจัย ใ, จให้มันดีเถอะที่อาจารย์บอกให้สร้างล่องรอยจำได้ไหมสร้างล่องรอยให้ทำความรู้สึกตัวให้ใจอยู่กับความรู้สึกตัวให้ได้ให้ใจฝึกเป็นผู้ดูผู้ดูผู้ดูเผลอเข้าไปเป็นรีบถอย กลับมาสู่ความเป็นผู้ดูต่อให้ทำแบบนี้ไปเรื่อ ย, อ ย, อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บ ม, มันจะละๆๆๆละละละลงไปแล้วก็ตัวตัวกระบวนการในการที่จะต่อสู้ในช่วงท้ายจะเป็นภาวะของจิตลุนลนอันเนี้ยให้ให้ให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีนะคนที่แล้วทำไมมันมีอาการทุรนทุรายกับคนในระยะท้ายๆล่ะป้าจัด อาจจะมีเวทนาที่ยังไม่ถูกตัดมันยังไม่ถึงช่วงตัดเวทนาออกมันก็อาจจะมีเวทนาแต่ส่วนมากที่มีอาการอย่างนั้นเป็นเพราะจิตสับสนจิตกังวลกังวายมากกว่าเพราะความรู้สึกว่ายัางไม่พร้อม จิตมันเลยสับสนนันก็แสดงอาการทุรนทุรายออกมาเข้าใจรหมออนเขาจึงบอกว่าถ้าคนยอมรับความตายมันจะสงบทันทีเห็นไห ม, มจะสงบแต่ถ้ามันไม่ยอมรับใจมันไม่พร้อมมันก็แสดงอาการออกมาในการแบบทุรนทุรายแล้วอะไรละ่ะเป็นเครื่องมือในการแสดงออก ถ้าจิตมันทุรนทุลายกายก็จะถูกคําสั่งให้จิตจิตกับคำสั่งให้กายกระสับกระส่ายทุรนทุลายไปนั่นเองเข้า ใ, ใจไมทั้งทั้งที่จริงๆอาจจะไม่มีเวทนาจริงๆอาจไม่มีเวทนานเวทนามันไม่ทํางานแล้วแต่ว่าแต่ใจที่มันยังทุรนทุรายมันก็บางแสดงออกทางกาย ได้อาการสายทุรุนทุราลดิ้นกระเสือกกระสนนั่นเป็นเพราะยังฝึกไม่ดีพอที่จะยอมรับและวางใจลงได้กับความเป็นไปแห่งธรรมชาติหรือขั้นตอนของธรรมชาติที่กาลังดำเนินเข้าใจั้มอันนี้คือการสังเกตเห็นกาย เพราะนั้นการกลับมารู้สึกตัวของเราที่อยู่กับภาวะแห่งความรู้สึกตัวดีๆมันจะทำให้เรามีอุเบกขาที่จะสังเกตพอมีอุเบกขาใจมันเป็นกลางมันจะสังเกตเห็นอาการของกายเหล่านั้นที่มันจะแสดงออกเข้าใจั้มซึ่งมันจะทำให้เราเห็นความเป็นทุกข์ขังของกายทีนี้เรามาดูเวทนาเห็นเวทนาในเวทนา มันเป็นทุกมันเป็นทุกยังหน่อยหนึ่งว่า เมื่อเรามาดูเวทานาที่เกิดขึ้นในขณะที่เวทนามันแสดงอาการออกมาในขณะที่เวทนาแสดงอาการออกมาถามว่าเวทนาที่แสดงอาการออกมานั้นมีแรงมีค่อยไหมมีไหมในขณะที่แสดงอาการออกมามันมีแรงมีค่อยเราได้สังเกตเห็นมันไหมที่เราตอบพระอาจารย์ว่ามีแปลว่าเราสังเกตส่วนคนที่ไม่สังเกตก็ ตอบไงดีวะก็ไม่เป็นไรต่อไปเราจะเป็นผู้สังเกตกมัน เ, ออเราอยัางไม่เข้าใจที่จะสังเกตเราก็าตอบไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดเราเป็นผู้สังเกตการเราจะเริ่มตอบได้ความเป็นผู้สังเกตการมันมีผลต่อความรู้สึกมันมีผลอันเกิดจากต้องใช้คาว่าเป็นผลอันเกิดจากการทำความรู้สึกตัวแล้วใจมันมีความเป็นอุเบกขา เมื่อใจมีความเป็นอุเบกขามันจะสังเกตเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าใจมันไม่เป็นอุเบกขามันจะกระโจนเข้าไปในเวทนาเมื่อมันกระโจนเข้าไปอยู่ในเวทนามันจะเป็นผู้สังเกตได้ไหมไม่เพราะตอนนั้นพระกะลางตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนดิ้นโลนและยิ่งจมลงไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นจะทําให้เราเห็น เห็นเวทนานั้นมันมีแรงมีค่อยความมีแรงมีค่อยแปลว่ามันคงที่หรือไม่คงที่เมื่อไม่คงที่ก็แปลว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงจึงเรียกว่าอนิจจงมันแสดงความเป็นอนิจจงให้เห็นยูแล้วเวทนาที่เกิดนั้นมันมีเกิดมีดับไหมมีไหม เมื่อมันมีเกิดมีดับแปลว่ามันทนอยู่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่ามันเป็นทุกขังแล้วบทมันมามันมาผักใส่ได้ไว้มาไม่เอาเหนียวลังไว้ได้ไหมอยากเพิ่งไปปฏิเสธได้ไหมเรียกร้องมาได้ไหมงั้นแปลว่าเราบังคับบัญชามันได้ไหมเมื่อบังคับบัญชามันไม่ได้ จึงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อใจเราเป็นกลางเราจะเห็นเห็นมันแสดงอาการอย่างเนี้ยเข้าใจไหมแต่คนส่วนมากพอเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บมักจะเป็นยังไงออยากมากเลยที่จะทนดูกับมันลำบากมากเลยที่จะสังเกตมันเข้าใจป่ม ยิ่งที่ไม่เคยฝึกเจริญสติได้แล้วนี่กูหลับเลยดีกว่าหนีไปเลยซึ่งไม่ใช่เพราะเวลาครูบาอาจารย์ให้เราลองนั่งไปนานๆดูซิเป็นยังไงหาใช่ครูบาอาจารย์จากกั่นแกร้งหาใช่ครูบาอาจารย์สาดิษอยากเห็นลูกศิษย์ลูกหาเจ็บปวดทรมานแล้วแอบพอเราะในใจคิกคิกคกคกิไม่ใช่ แต่นั่นเป็นเพราะครูบาอาจารย์มีความรักมีความเมตตามีความการุณาและพร้อมจะมุทิตาเพราะมีใจที่เป็นอุเบกขา <c oughs> ครูบาอาจารย์ต้องการให้พวกเราสังเกตเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้าใจไหมให้เราสังเกตเห็นว่าโอ้นี่ไง รานั่งดูมันถ้พักเออนี่ไงเป็นแรงมันมีแรงมีข้อย่างอาจารย์ว่าเดี๋ยวบางทีมันแรงจืดสักแบบนิดเดียวแต่พอทับวบวบวบขึ้นแลวว้าผายไปมีไหมเนี่ยสภาวะธรรมมันกําลังแสดงให้เราเห็นแทนที่เราจะมีภาวะผู้ดูที่เป็นกลางไปดูมันเรากับเผอที่เข้าไปเป็นแต่ เวลาใดก็ตามที่มันเผยเข้าไปเป็นแล้วเราถอนกลับมาได้โอ้เมื่อกี้เราเข้าไปเป็นเห็นแล้วเห็นแล้วพอเข้าไปเป็นมันเป็นอย่างนี้อ๋อพอถอนจากการเข้าไปเป็นหลุดออกมาได้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่ใครฝึกแบบสังเกตการอย่างนี้มันมีแต่ได้กับได้ไม่ใช่เข้าไปเป็นปุ๊บโอ้ยอีกแล้วกูเข้าไปเป็นอีกแล้วเนี่ยแทนที่จะมองว่า เมื่อกี้พอออกมาปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้มันเข้าไปเป็นนี่ว่าอ๋อพอเข้าไปเป็นมันเกิดอาการอย่างนี้พาเราเป็นทุกข์อย่างนี้อ๋อพอเราไม่เข้าไปเป็นถอนออกมาได้ปั๊บหลุดจากการเข้าไปเป็นปุ๊บมันถอนออกมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่คือการเป็นผู้สังเกตการเข้าใจไหมเออไม่ใช่ไปซ้ำเติมมันเข้าไปเป็นก็เมื่อไหร่มึงจะเลิกเข้าไปเป็นทันทีมึงเป็นอยู่นี่แหละ สมน้ำหน้ามึงมใช่จงเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอเรามีใจที่มีความรู้สึกตัวแล้วมีอุเบกขาต่อเวทนาที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคือถอนความพอใจและความไม่พอใจได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเวทนามาแสดงอาการเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเวทนาในาในเวทนา แล้วก็เห็นอีกว่าเวลาที่เราไม่ได้เข้าใจกับตรงนี้เราก็เผลอที่จะสร้างเวทนาทางจิตให้กลายเป็นทุกข์ทางจิตซ้อนทับเวทนาทางกายที่มันเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นตัวนี้ด้วยเข้าใจไหมเพื่อรู้จักถอนความพอใจความไม่พอใจออกมาได้ปับ๊บเวทนาทางจิตมันจะหายไปเหลือแต่เวทนาทางกายแล้วความเป็นอุเบกขา จะเห็นเวทนาทางกายนั้นมันแสดงไปตามกฎพระไตรลัก์นี่เข้าใจยังไงนี้วิธีการมาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจเพื่อดับเวทนาทางจิตก่อนถอนความพอใจไม่พอใจในกายเพื่อดับความหลงผิดยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาเพื่อเห็นกายแปรปรวนไปตามกฎพระไตลัก ถอนเวทนาถอนจิตถอนความพอใจความไม่พอใจออกเพื่อถอนเวทนาจิตออกแล้วให้เห็นเวทนากายจะได้เห็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์ในการสังเกตอย่างนี้เข้าใจไหมจึงเรียกว่าการเห็นกายในกายกาเห็นเวทนาในเวทนาทีนี้มาเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตก็คือการเห็นความคิด ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติคือเรามักถูกใส่สมมุติบัญญัติหลายอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ฝังหัวแน่นที่สุดคืออย่าให้ใจวอกแวกอย่าให้มันวอกแวกอย่าให้มันคิดอย่าให้มันฟุ้งซ่านจงทำใจให้มันสงบให้มันนิง่งอันนี้ฝังหัวมามากเลยใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นคำสอนและฝังหัวแบบนี้มันกลายเป็นตัวขวางกันเพราะแทนที่เราจะเห็นจิตอย่างที่มันเป็นเรากลับพยายามไปทำให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นซึ่งสุดท้ายสําเร็จไหมทำร้อยครั้งสงบกี่ครั้งแต่สักห้าครั้งไหมถ้าได้ห้าครั้งแปลว่าแปลว่าประสบความสาเร็จ5้าครั้ง ล้มเหลว95ครั้งเป็นการประกอบการที่ไม่น่าร่วมุนร่วมทุนเลยเข้าใจไหมถ้าเป็นรูปบริษัทก็ไม่น่าร่วมทุนเพราะมันมีสุดเจ็งมากกว่าอันหมายความว่าเราต้องปรับกระบวนการใหม่ในสติปัฏฐานจึงไม่ได้มุ่งไปสู่เรื่องความสงบของจิตแต่มุ่งเห็นความจริงของจิตเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่อาจารย์ให้คุณสังเกตเห็นอาการที่มันเผอคิดไหม เห็นไหมว่าในความเผลอคิดที่มันปรากฏขึ้นนั้นเราจะเข้าไปเห็นการปรุงแต่งของจิตให้เราเห็นอาการที่ใจมันเผลอไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเหล่านั้นในความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราท่านบอกให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจตรงนี้ออก แล้วใจเราจะเป็นกลางเป็นอุเบกขาจากนั้นเราจะเห็นความคิดที่เกิดขึ้นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆๆๆไม่ซ้ําเดิมเลยใช่หรือไม่ถูกมั้ยงั้นแปลว่ามันคงที่หรือไม่คงที่มันไม่ได้คงที่เลยมันมีเกิดมีดับมั้เมื่อมีเกิดมีดับแปลว่ามันทนอยู่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้แล้วมันคิดขึ้นมามันคิดของมันเองใช่หรือไม่ เผือคิดกับตั้งใจคิดแยกเป็นหรือยังนี่เป็นยังเออมันเรื่องพื้นฐานมากเลยนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องสองเรื่องนี้นะโอ้อีกยาวเลยนะอีกยาวเลยแต่ถ้าเข้าใจเรื่องเผือคิดกับตั้งใจคิดปุ๊บ ม, มันจะเป็นพื้นฐานของการเจริญสติของการเข้าสู่การทําสติปัฏฐานเลยนะ เพราะความเผือคิดนั้นมันคือตัวยืนยันว่านั่นคืออาการที่จิตมันทํางานด้วยตัวของมันเองปัญหาคือความตั้งใจคิดเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้คิดไงเข้าใจไหมในความตั้งใจคิดอ่ะมันมีสติมีสมาธิเป็นตัวตั้งมันจึงมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นเราเป็นผู้คิดอ่ะเราอยากจะคิดเรื่องนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจคิดเรื่องนี้เราอยากคิดหาคําตอบอันนี้มันก็มีเราเรา มันง่ายมากที่มันจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงให้พวกเราสังเกตเห็นความคิดอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าความเธอคิดหรือความหลงคิดหรือความคิดที่มันคิดขึ้นของมันเองไอ้ความคิดที่มันคิดขึ้นของมันเองนี่แหละมันจะทำให้เราเห็นความจริงเข้าใจไหมเฮยเนี่ยมันคิดขึ้นเองแปลว่าเราบังคับบัญชามันไหมเราบังคับบัญชามันได้ไหมไม่ได้ ห้ามไม่ให้คิดมันก็คิดไม่อยากให้คิดมันก็คิดเออนั่นมันเป็นอาการของจิตที่มันหลุดจากฐานของมันอยู่เรื่อยๆพะมันหลุดจากฐานปุ๊บมันก็แสดงเป็นความคิดอย่านั้นอ่ะเข้าใจ ย, ยังไงเนี่ย น, นั่นบ่งบอกถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอน้ตาของจิตของความคิดที่มันแสดงด้วยตัวของมันเองอย่างนั้นปัญหาคือเราทาไมมองไม่ออก ที่เรามองไม่ออกเพราะว่าเวลามีความคิดเกิดขึ้นเราจะมีท่าทีสองอย่างกับมันหนึ่งหนีไม่อยากให้มันมีกบเกินมันไปสองปฏิเสธด้วยการผลักใสด้วยการต้านไม่เอาเข้าใจหัหยเพราะฉะนั้นเพราะอะไรมันถึงเกิดอาการนั้นเพราะมันมีสมมติบัญญัติฝังหัวว่าอย่าให้วกแวก อย่าให้ใจมันวอกแวกอย่าให้ใจมันคิดอย่าให้มันโน่นนีน่นี่นั่นแทนที่จะมองเห็นว่าอ๋อความเผิดคิดนี่เองคืออาการที่จิตมันทํางานเองนอกจากจะเห็นอาการของจิตทํางานเองมันแยกกายแยกจิตก็เพราะเรื่องนี้แยกกายแยกจิตได้ก็เพราะเรื่องนี้เข้าใจไหมหลังนั้นมันก็เห็นอาการที่จิตทํางานของมันเองคือเห็นความเป็นอนัตตาของจิตเข้าใจอย่างเห็นเนะี่ยเออ นี่ยิงเรียกว่าเห็นจิตไหนจิตให้เห็นความรู้สึกบางอย่างที่มันสอดแทรกขึ้นด้วยความพอใจความไม่พอใจเห็นความสำคัญหมายว่าจิตเป็นเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราถอนความพอใจความไม่พอใจได้ปุ๊บใจจะเป็นอุเบกขาพอมันเป็นอุเบกขาปุ๊บมันจะเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนั้นก็แปรเปลี่ยนของมันอยู่ตลอด เกิดดับเกิดดับแล้วเราก็ไม่อาจบังคับบัญชามันได้เข้าใจไหมทีนี้ที่เรามาดูธรรมารมเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในที่นี้ต่อให้ธรรมมันมีกี่หมวดมีเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็ตามเคยได้ยินไหมโพธิปักเียรธรรม37เจดอะไระ่ะเยอะไหมเยอะไหมเยอะเนาะ แต่ทั้งหมดมันอยู่ในอาการเดียวทั้งหมดคือคือตัวตัวตัวท ำ, ทำมนุปสนาสติปทานเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงทำห้าหมวดมีนิวรณห้ามีอุปทานขันห้ามีอายทนะสิบสองมีโพชฌงเจ็ดมีอริยสัตว์หรือปฏิจจสมบาทสี่ หรืออริยมรรคก็ตามอริยมรรคก็อยู่ในอยู่ในปฏิจจะปฏิจจะก็อยู่ในอริยศัสตร์เ <c oughs> ข้าใจมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เยอะแค่ไหนก็ตามตัวสำคัญคือให้เห็นมันตามที่มันเป็นต่อให้เป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแต่สุดท้าย ทมที่มันปรากฏขึ้นในใจเราจะเป็นฝ่ายบวกฝ่ายลบก็ตามสุดท้ายแล้วมันเกิดและดับทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เหมือนเดิมขับบัญชาเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาสังเกตดูนิวรันเนี่ยเอานิวรนมาดูตัวง่วงนี่แหละมันโผล่มาให้เห็นนะถามว่าง่วงมีแรงมีค่อยไหม มีไหมมีเกิดมีดับไหมเมื่อมันมีแรงมีค่อยแปลว่ามันคงที่หรือไม่คงที่เมื่อไม่คงที่แปลว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับแปลว่ามันทนอยู่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้เมื่อทนอยู่ไม่ได้แปลว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์ขังทุกข์ขังบันตีและ สังเกตไม้มว่ามันมามันก็มามันไปก็ไปเหนียวลังก็ไม่ได้ผักไสก็ไม่ได้เรียกหาก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ใหญ่ถูกไหมแปลว่าเราบังคับบัญชามันได้ไหมไม่ได้มันแสดงความเป็นอนัตตาให้เราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อให้อะไรมันเกิดขึ้นก็ตามความสาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดอย่างไร สิ่งนั้นจะอยู่ยาวนานอย่างไรสิ่งนั้นเราจะประครับประคองมันได้ไหมไม่คุณมีแนืที่อย่างเดียวคือถอนความพอใจและความไม่พอใจเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาแล้วเห็นสภาวะธรรมเหล่านั้นว่ามันเป็นไปตามกฎพระไตรลักจะเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอากุศลเป็นอะไรก็ตามเข้าใจไหมคนหลายคนถามพระอาจารย์อาจารย์ แล้วเราจะเจริญโพชฌงยังไงพูดมาทั้งหมดเนี่ยโพชฌงทํางานแล้วความรู้สึกตัวที่มันมีอูเบขาอย่างยิ่งตัวเนี้ยมันชัดอยู่แล้วในตัวในความเป็นโพชฌงโพชังโคสติสังขาโตธรร ม, มานังวิจโยจธาปิฎิยมปิฏิปัสสติโพชังคาจะตถาภะเลสมาทิปิฏโพชังคา สุดท้ายมันอยู่ที่อุเบกขาธมาอุเบกขามันจบลงที่อุเบกขาคือเก่ามีสติเป็นตัวตั้งและมีอุเบกขาเป็นตัวตายพอเมื่อใดก็ตามที่คุณมีสติมีความรู้สึกตัวมันทำให้เกิดความเป็นอุเบกขาไปแล้วเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจโอ้ยน้องมันไม่รู้ทุกข้อก็ไม่เป็นไร ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราใช้มันเป็นไหมเพราะจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณถอนความพอใจและความไม่พอใจแล้วใจมันเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้มีความรู้สึกตัวมีสติมีความรู้สึกตัวและเป็นอุเบกขาขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันเห็นอย่างเดียวเท่านั้นคือเห็นทุกสภาวธรรมที่ปรากฏนั้นมันเกิดแล้วก็ดับมันเป็นทุกขังมันเป็นนัตตาตัวนี้ต่างหาก คือเรื่องจริงที่สุดไม่ใช่ว่าไปเข้าใจตัวหนังสือไม่เข้าใจแปลว่าไม่ใช่ว่าไปเข้าใจตัวหนังสือไปอธิบายตัวหนังสือได้ํำคัญคือใช้เครื่องมือเป็นไหมเอาเครื่องมือมาเห็นความจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เหลือแต่เราทำเครื่องมือนั้นเอาเครื่องมือนั้นมาทำงานและให้เครื่องมือมันได้ทำงานจริงๆเพื่อให้เกิดการประกาศแจง้งประกาศ พะพบปะเห็นมันจากจักษุคือตาในแล้วมันแจ้งแยกคําให้เลยดีกว่าพระจักแจ้งเข้าใจยังทําไมคนโบราณบรรพุทธศาใช้คําว่าประจักแจ้งใช้คําว่าจักสุนะเป็นตัวประจักเห็นไหม แล้วจักขู่ของพระเจ้าคืออะไรตาในตาใจตาสติจักขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราถูกไหมเพราะฉะนั้นให้มันพบปะเห็นด้วยตาในตาใจนั้นมันจะเกิดอาการแจ้งแก่ใจสว่างด้วยความเข้าใจความจริงจึงเรียกอาการนี้ว่ า, าการประจักษ์แจ้งเข้าใจไหม อธิบายคำเข้าใจแล้วยังตัวหนังสืออธิบายไปตามอาจารย์คิดเอานี้แหละเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใจคำว่าสมมุติคุณเข้าใจคำว่าปรามัดคุณจะเป็นผู้ชำนาญในภาษาเองอัตโนมัติเพราะภาษาที่บรรพบุรุษของเราใช้เนี่ยมันเป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาบนปรมัตธรรมเรื่องจริงนะ แม้แต่ตัวเลขหนึ่งถึงศูนเลขไทยเราเนี่ยนี่คือสุดยอดของความเข้าถึงนะเชื่อไหมเขียนเลขหนึ่งถึงศูนเขียนเลขไทยเขียนเนี้ยเขียนเลขหนึ่งถึงศูนย์เนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่รู้จริง เห็นยังเลข1ถึง0ใช่ไหมหนึ่งสองสา่าหกเจ็ดแปดเโอเคไหมคุณสังเกตไหมตั้งแต่เลข1ถึงเลข0มีเลขมีอะไรที่มันเหมือนกัน0มันเริ่มจาก0 มีศูนย์เป็นหัวก่อนแล้วตะวัดอีกทีหนึ่งฟุบเป็นหนึ่งมีศูนย์เริ่มก่อนแล้วใส่เข้าไปเป็นสองมีศูนย์เริ่มก่อนใส่เข้าไปเป็นสมคุณเข้าใจไหมเนี่ยทุกอย่างเริ่มจากศูนแล้วพอมันมีอะไรมากขึ้นมันก็เลยมีค่าตามที่มากขึ้น เพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยากเยอะที่สุดเลขกาดูดีๆมันเยอะมันเลยเยอะแต่สุดท้ายให้กลับไปที่ไหนศูนเอานี่คือหลักการเนี่ยที่ที่บรรพชนไทยสร้างตัวเลขขึ้นมาเนี่ย เพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรเลยมันเริ่มจากศูนยตาทุกอย่างเริ่มจากศุนยตากับคืนสู่ศุนยตาคุณดูความลุ่มลึกของบรรพบุรุษเราถ้าเข้าใจความจริงกับมันปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใช่ไหม นี่คือความลุ่มลึกนะนี่คือความลุ่มลึกของบรรพชนเรานะเออความที่พุทธศาสนาลงหลักปักฐานและเป็นเป็นกันของวิถีชีวิตของชาวไทยเนี่ยของบรรพุรุษเราเนี่ยทาให้ท่านเหล่านั้นลุ่มลึก ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากจนพยายามฝากเอาไว้ในหลายๆเรื่องแต่เราเข้าใจไหมเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึงความเป็นสมมุติความเป็นปรมัติคุณจะเข้าใจมันจะเข้าใจเองพอมันเห็นปุ๊บมันก็เข้าใจ อ๋อนี่เองมันจะรู้ที่มาที่ไปเลยแล้วมันจะอิงกับสภาวะรมได้ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมบรรพชนของเราถึงได้ทำแบบนี้แบบนี้คิดแบบนี้แบบนี้ใส่แบบนี้พูดแบบนี้มีคาแบบนี้มันเป็นความความลุ่มลึกมันไม่ใช่ศักแต่ว่านะบนรรพบุรุษของเราไม่ใช่ศักแต่ว่านะ ลึกซึ้งจริงๆเพราะทุกวันนี้เรากินมรดกกินมรดกคนเก่าแล้วเราก็เริ่มเริ่มใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเราเริ่มมองไม่เห็นค่าและต่อไปเราก็จะทิ้งโดยเข้าใจว่ามันไม่มีค่า แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีความลุ่มลึกยิ่งเข้าใจพุทธศาสนายิ่งเข้าใจความลุ่มลึกของบรรพชนเรา อ, อันนี้ไม่ได้ขัางศาสนาซะจนพูดขนาดนั้นวันนี้มองว่าพุทธศาสนาเลิ่นเลยเพอร์เฟกต์ขนาดแต่กล้ายืนยันว่า พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการเดินทางจริงๆเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนตนจริงๆเป็นเครื่องมือที่พาเราไปสู่การออกจากทุกข์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นกายเวทานาจิตธรรมที่พระอาจารย์พยายามอธิบายมาให้เห็นว่ามันมีอยู่ให้เห็นเนี่ยสิ่งที่ควรทากับมันก็สรุปลงตรงนี้ก็คือหนึ่ง เกิดอาการใดขึ้นก็ตามให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียเพื่อให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาเพื่อจะเห็นความจริงที่กำลังปรากฏขึ้นกับกายเวทนาจิตธรรมหลักการมีอยู่แค่นี้หลักการมันอยู่แค่นี้นะอย่าไปเห็นเป็นตับไตเส้พุงเลย อย่าไปเห็นเป็นล่างใสๆอีกอ้างหนึ่งอยู่ในร่างเราเลยไม่เราจงเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเห็นกายมันเป็นก้อนทุกข์เห็นความหลงที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับกายว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นเวทนามาแสดงความเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นความหลงเข้าไปยึดเวทนานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นความคิดเห็นจิตมันเป็นอย่างนั้น ให้เห็นว่าเรามีหลวงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่จงถอนมันออกเสียเพื่อให้เป็นอุเบกขาแล้วเห็นทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมพระไตรลักที่มันเป็นจริงๆเนาะว่าจะพูดนิดเดียวหมดเวลากอดีแต่ได้ความรู้ไหมได้เนาะ เงี้ยก็หมดเวลาแล้วพักผ่อนเถอะ